เริญพรท่านสาธุชนพุท ต, ตรบอยสัตว์ผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกเพื่อสนทนาถามตอบคำถามในแนวทางของการปฏิบัติทานศีลภาวนาใครที่มีความสงสัยอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญเข้ามาได้วันนี้เราก็จะไปตามลำดับ ใครเข้ามาก่อนก็จะเชิญให้พูดก่อนท่าแรคืนนี้ก็คุณคุณดิสยาอย่างนาราีิวาสนักสการค่ะอาจารย์อ่เป็นยังไงมีอะไรไหมอ่ามีมีนิดหน่อยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามีจะทำยังรับรับปัญหาแบบนี้ยังไงอย่างเช่น มีคนมาตัดสินเราว่าเราเป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทั้งๆที่มันอาจจะจริงหรือไม่จริงบางทีเรารู้สึกกับเพื่อมาหาพระอาจารย์หนูจะใช้วิธีหยุดมันไปก่อนแต่บางทีเขาจะดิ้นว่าอยากจะหาเหตุผลเลยพอใช้เหตุกับผลกับเขาว่ากลายเป็นว่าเขาจะสงบลงแล้วก็ค่อยๆใช้สติดับมันมันจะของหนูใช้วิธีนี้มันง่ายกว่าหรือพระคนรจะต้องทอํายังไงคะพระอาจารย์ เ่อปล่อยวางวางเฉยนั่นทำไงห้ามก็ได้หรือเปล่าเนี่ไม่ได้ค่ ะ, อ, ะอย่างเช่นถ้าว่ามีคนที่ว่าเราปฏิบัติทําแล้วเราจริงจังเราโกหกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาจะพูดไงก็ไปเรื่องเขาก็เป็นเรื่องของเขาปากของเขาเขาว่าเราเป็นควายเราเป็นควายหรือเปล่านะถ้าเขาว่าเราเป็นควายเราทำไง เดือดร้อนกดธเคืองกดโกรธเคืองก็แบบโกรกดก็ทำไมก็ก็ค่อยเห็นเราเป็นควายก็ให้ปล่อยก็เห็นไปเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงแต่มแต่เรารู้ตัวเราเองก็พอออแต่ถ้าสมมุติว่าเขาหวังดีแล้วเขาเห็นว่าเราทําอะไรไม่ถูกแล้วก็พูดแล้วเราก็ตุเราก็เช็คดูซะหน่อยแล้วถ้าเห็นว่าเออเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาพูด ฝังดีเขาเห็นว่าเราทำไม่ถูกเขาก็บอกเตือนเราอย่างนี้เราก็ต้องขอบคุณเขาเขาเป็นเหมือนกระจกส่องเราเวลาที่เราออกจากเมอือง่อนจออกจากบ้านเวลาแต่งเนื้อแต่งตัว เ, เราต้องแต่งหน้าที่หน้ากระจกหรอเปล่ากระจกก็จะบอกว่าเรียบร้อยไหมถ้าไม่เรียบร้อยก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้มันเรียบร้อยแต่ถ้ากระจกมันเป็นกระจกแบบที่ไม่สะท้อนความนจริง มันก็แล้วก็รู้ว่ากระจกนี้ไม่ดีต้องไปเปลี่ยนกระจกนะบางทีกระจกบางอันมันมันโคง้งมันวาวเฮมันก็เห็นันกระจกโคง้ง ว, ว้ามันทําให้เราหน้าตาปเป็นยังไงอันนี้ก็อย่างนี้แหละเราต้องมองเขาว่าเป็นเหมือนกระจกถ้าเขาสะท้อนภาพที่ดีที่ถูกให้เราเราก็ควรจะขอบคุณเขาถ้าเขาสะท้อนภาพที่ไม่ถูกเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะ เราห้ามเราไม่ได้คนแต่ละคนก็อาจจะมีอะไรในใจเขาบางทีเขาดีเขาชอบเราบางทีเขาพูดไม่จริงแต่เราชอบเขาเขาพวดเราสวยอ้วรกันวันนี้ให้เราก็ยิ้มแป้นทั้งนั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูด อ, อีกอย่างหนึ่งก็คือใจเรานั่ยแหละเป็นปัญหาเรายังไม่ชอบสรรเสริญ เ, เราชอบแต่สรรเสริญเราไม่ชอบอินถา อันนี้แหละเป็นปัญหาของเราเราต้องมาแก้ตัวนี้ดีกว่าเพราะเราอยู่ในโลกของโลกธรรมแปดมีทั้งสรรเสริญมีทั้งนล่นทาเปของคู่กันแล้วเราเลือกไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นค น, ค น, ค น, นเป็นคนพูดคนอื่นเขาเป็นคนพูดคนที่เขาเกลียดชังเราเขาก็เขาก็จะพูดไม่ดีใส่ร้ายใส่ความเนอะความดีของเรามีมากน้อยเขาก็ไม่พูดเขาไม่มองเห็น แต่ความไม่ดีของเราแม้แต่นิดเดียวเขาก็เอามัคคายทําเป็นเหมือนกับภูเขาไึ้มาเราก็ห้ามเขาไม่ได้เราต้องมองเขาว่าเป็นอนัตตาเมือดินฟ้าอากาศฟ้าอากาศก็เคยฝนมันจะตกแบดจะอมันไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้เรามองอย่งนีมองเขาว่าเป็นอนัตตาแล้วก็มองที่ใจเราว่าเรายังชอบสรรเสริญไม่ชอบดินทายอยู่ เราต้องมาแก้ตรงนี้ในตัวเราวิธีแก้คือฝึกต่อไปนี้จะให้แต่คนดินทาคนไหนคนไหนไม่รอรอรับคำดินทาคอยจ้องมันไม่ด่าเราวันนี้ทำไมไม่ดา่าอยากจะฟังคำดา่าหนึ่งหรือถ้ามันไม่ด่าเร า, เราด่าตัวเราเองก็ได้เธอพวกนี่เลวเหลือเกินไม่ได้เรื่อมอะไรเกียร์อะไรก็ว่าไป ไอค ำ, คำที่เราไม่ชอบมันก็ด่านะเอามาด่าซ้อมไว้ก่อนนะฟังไว้ก่อนแล้วถามว่ามันก็เป็นแค่คําพูดไม่ใช่ไหมมันจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเราได้ไหมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีแล้วไม่ดีมันเป็นคาพูดอะไรเราไปติดกับคําพูดของเขาเราก็ต้องตรวจตาตัวเราด้วยเราไม่ต้องยอมรับแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องยอมให้คนอื่นตํานิติดเตียนเลยทุกวันเนาะ ทุกทุกปีตอนที่วันออกพรรษาเนี้ยพะเจ้าจะให้พระที่มาประชุมกันฟังพระปฏิโมกฟังสีนองใิเจลี่ยนี้ให้เปลี่ยนเอเป็นวันปวาราณาตัวปวาราณาตัวก็คือเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาชี้ถูกชี้ผิดในตัวเราถ้าเห็นก็ดีได้ยินก็ดีเลืองสงสัยก็ดีว่าข้าพเจ้าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเ ขอเตื้ขอไดโปรดช่วยตัดเกินมากเก่าวข้าพเจ้าโดยเถิดจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนพระเจ้าหมอให้พระพวดเรียงลาดับมาเลยตั้งแต่พระเจ้าเจ้าองค์แรกตั้งแต่เจ้าวาดลงไปเนี้ยน้องต่อนาตัวต่อหน้าสมต่อหน้าท่านภิกษุบวชแค่พรรษาเดียวว่าต้องต่อหน้าตัวถ้าเห็นก็ดีได้ยินก็ดีสงสัยก็ดีว่าพฤติกรรมของเราไม่เหมาะสมขอได้โปรด ว่ากล่าวต่อีกเตือนตัดเตือนข้าพเจ้าด้วยเถิดจะเป็นพวกคุณอย่างยิ่งเพราะคนที่เขาตัเดเตือนความผิดของเรานี้เป็นเหมือนคนชี้คุมทรัพย์ให้กับเราที่ครอบครองเพื่อเราจะได้เอาไปแแคขายทำให้ตัวเราดีขึ้นเมื่อตัวตัวเราดีขึ้นตัวเราก็จะเป็นคุมทรัพย์ต่อไปออยัต้องพยายามยอมรับว่าอยู่ในโลกนี้ต้องมีการชันทศเสริมมีการอินทา แดีทีเหตุการณ์ทางนี้การสื่อการการว่ากล่าวตักเตือนถ้าออกมาจากผู้ที่มีความเมตตาเราก็จะได้รับประโยชน์แต่ถ้าออกมาจากคนที่ไม่มีความเมตตาเราก็ใช้เหตุผลตามเลยมว่านะพูดเรื่องไร้สาระไปแล้วไปเน็นคนอุดอักตาบอดพูดเขาไม่เห็นความจริงว่าเป็นยังไงเขาก็พูดไปตามความรู้สึกของเขาเราไม่อย่ามาเอาปิ้เอามาถือเป็นประเด็น ยามาแบกต้องวางโลกย่าแบกโลกแบกแล้วมันทุกวางแล้วมันสบายเบาโลกก็ทำแบกอย่าไปแบกมัน น, น้างยศเสริญแรงการเสื่อมหน้าเสื่อมยศนินทาทุกนี่มันเป็นของคุ่ ม, มาของโลกสัมผัสนั้นก็ปล่อยวางอย่าไปแบกอย่าไปซึมซาบอย่าไปยินดียินไ่กับมัน เ็นของช่วคราเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ผ่านไปพ่อจา่าเข้าใจไหมคะอาจาาพ่อจา่อจาลองคิดเป็นแบบสึนหรัยทุกวันนอกจากอสุภะเพาะว่าเส<อ>ียงอาหรือว่ า, หวา เ, เหตุการณ์เก่าๆที่เคยได้ยนินเคยถึงขั้นได้ยินคนยินทาแล้วกับตัวใกล้ๆเลยค่ะเขานเ ข, ขายินทาอยู่แล้ไม่รู้ว่ารเราเรายินฟังหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Mm. ก็ประมาณนั่งคิดแล้วก็ซ้อมดูค่ะอ่าคุณยังซ้อมอยู่เลยซ้อมสอนใจเราว่าเราต้องยอมรับคากกําว่าเก่าตำหนิอีกเตียนของู้ไม่ว่าจะถูกหรือไม่จะจริงหรือไม่ก็ตามฟังไว้ก่อนถ้าถ้ามีความจำเป็นจะต้องชี้แจงก็หาโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็ชี้แจงไปเช่นถ้าเขาจะไปฟอ้องร้องอะในสารแล้วก็ไปชี้แจงในสารกันแล้วกันแต่ว่า ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องไปชี้แจงให้เหนื่อยให้เฉยไปดีกว่าพูดไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วบางทีเขาก็อยากอยาจะขี้รถใส่แล้วแล้วเขา้าไปแล้วแหละเขาไม่เขาอยากจะให้เราเปื้อนหน่อยแค่นี้เขาปล่อยก็ทําไปอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องเจอของสกปกบ้างเป็นธรรมดาถ้าเราไปรังเกียจเราก็จะอยู่ในโลกนี้ลำบากมีทั้งดีมีทั้งชั่วมันคู่คร่าวกันไป ผู้ที่เข้าใจหลักเข้าใจธรรมชาติของโลกโลกธรรมแปดอย่างเป็นเหมือนหยดน้นบาบนใบกัสัมผัสแต่ไม่ซึมซาบไม่เอามาแบกไม่เอามาทําให้ใจฟุ้งใจเครียดใจทุกกับสิ่งต่างๆที่สําผัสแล้ดุนนั่น ต, ต้องฝึกโอเบคคายมากๆแล้วก็ฝึกปัญญาทั้งสองอย่างต้องมีโอเบคคายด้วยต้องมีปัญญาด้วยตอนนี้มีปัญญาแต่ถ้าไม่มีโอเบค อุเบกขาพอเจอเข้าไปทําใจไม่ได้แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วพอพอเจอแลดูแล้วมันเป็นอย่างนี้ยปัญญาบอกว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ยมันอนิจจังอนาาันตามัควบคุมบังคับมันไป่ไนดะ้มีทั้งสรรทัศ น, น์มีทั้งดินธาตุมีทั้งศพมีทั้งทุกข์เนี่ยเดี๋ยวคนนั้นเป็นเดี๋ยวก็นั้นแต่ ง, งานก็ศพเดี๋ยวก็นั้นอยากกันก็ทุกข์มีเรื่องราอย่าให้เราสัมผัสรับรู้ แล้วเราไปดีใจเสียใจมันก็จะเป็นบ้าไปกับเหตุการณ์ต่างๆนะนต้องไปดีใจเสียใจมันเรื่องธรรมดาของโลกจะฝึกตามที่อาจารแนะนําค่ะเอาเง็นการบ้านทุกวันตอนที่แม่ไปไหนไม่อยู่นะคุณแม่ไม่อยู่ค่ะคุณแม่ไปไปกับโรงเรียนเก่าที่ไปศิษย เ, เก่าสั้าๆ น, นะค่ะ ไม่เวลาถามอยู่เฉยๆไม่ต้องเล่าก็ได้เดี๋ยวจะไปกดไอ้คํานลับมากเกนินไปไม่คุณนะอันอาทิตย์หน้าค่ะเหนะ็นหน้พยายามฝึกสติฝึกปัญญาเนี่ยสองฝึกสมาธิกับปัญญาเนี่ยสองตัวนี้ก็ต้องฝึกสติะสติจะทําให้เกิดสมาธิเกิดรูเบิกบาแล้วก็มันซ้อนใจว่าเราอยู่ในโลกของตายละนะีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมในทุกสิ่งทุกอย่าง าจรย์ขอบคุณมากๆค่ะด่าโอเคอะที่คุณหมอตอบสุณหมอพิเชษกทมธรรมาสการ์พระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายสุขที่อยู่เหนือทุกข์ครับรอาจารย์พระสุขของพระนิพพานสุขที่อยู่เหนือทุกข์เกิดปนิพานสุขที่ทเกิดจากการกำจัดความทุกข์เ้วยสติ ในสมาธิในปัญญาบมดสิ้นไปจากใจก็จะไม่มีทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอาต่างๆก็เป็นพระนิพพานแล้วเจตก็จะไม่ทุกข์กับโลกกระทำโลกกระทำก็ไม่ทุกข์เหมือนกันโลกกระทำทางร่างกายทางขันทางรูปสิ่งจิตอะไรนี้ก็โลกกระทำร่างกายก็ยังมีเหมือนเดิมพระพุทาเจาก็ยางนี้เจอกับความทุกข์ทางร่างกายอยู่ หิวหน้ำเจ็บปวดตรงนั้นปวดเจ็บตรงนี้ปวดตรงนี้ต้องมี ค, อ ค, อคอ่อยรับอนวดให้อะไรให้ตทำไปอันนี้เป็นทุกข์ของขันนแต่ทุกข์ทางใจนี้ได้ตับทุกข์ทางใจนี้กิจากกิเลสตถาที่เรียนเอาทุกในอริยสัจสีนี่ถูกมัด ก, กำจัดไปหมดแนละ้วเป็นนิโรเป็นเป็นนิโรจนก็คือไม่มีทุกข์เหลืออยู่ในใจแลทุกดับไปแล้วใน ใ, นใจ แต่ทุกทำขาดเงินงต้องสัมผัสตั้มอยู่แต่ใจที่มี <c oughs> มีความไม่มีความทุกข์ทำใจก็ไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ทำร่านกายทุกข์กับทางนามโนสนเ ส, สนริญการยาปลดให้ออกจากตําแหน่ง ใ, ใคยาอะไรก็ปล่อยก็ปลดไปถ้ามีตําแหน่งเขาเลเขาอยากจะมาปลดก็ปล่อยก็ปลดไปถ้ามีทรัพย์ก็จะมายึดเลือดทรัพย์ก็ยึดไปอะไรทำนองนี้ ใจที่มีความสงบของปาฏิพานแล้วมันไม่มันไม่มันไม่อะไรมันไม่หิวขอยกับอะไรมันไม่ได้มาก็เหมือนกับไม่ได้เสียไปก็เหมือนกับไม่ได้เสียเพราะว่าใจไม่ได้ไม่ได้อาศัยมันเป็นเครื่องมือให้ความสุขใจมีความสุขในตัวเองตลอดเวลาเป็นปพลัมสุขขันธ์มีสุขที่เหนือทุกเบอร์สุปาฏิพาน นะพยายามลอาตัวนี้ให้ได้ปฏิบัติสติสมาธิปัญญาทำใจให้เข้าชาญให้ได้ให้นิ่งออกจากชาญมาก็พิจารณาใตรับเวลาใจเราจะอยากจะได้เลยวเป็นทุกข์กับอะไรก็ให้ใจรับหยึดมันใช้อริยสัจสี่หยุยมันเราก็ลังหาความทุกข์นึ่ยมาเกิดความอยากขึ้นมา เนตรนี้ก็ลังมีเรื่องอยากให้คนนั้นเป็นคนนี้ไม่เป็นเนี่ยพอก็คนที่เราอยากให้เป็นไม่ได้เป็นก็เสียใจที่เราอยากไม่อยากให้เป็นเป็นแล้วก็เดือดร้อนใจกันไปเดือดร้อนทำไมโลกมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเรารู้ตามความเป็นจริงเขาโลก กับคำว่าคุณครับอาจารย์ น, นะแต่ใจไม่ทุกกับอะไรนะใหจไม่ถุกขกับอะไเพราะใจไม่มีความอยากกับอะไรต่อไปไม่มีความอยากก็โลกกระทําแปดโลกกระทำอยาขึ้นจะลงจะจะรีนนัเสียงก็ไปเรื่องของโลกกระทําไปเป็นธรรมดาแมนะ้แต่ร่างกายมันจะเป็นจะตายก็เรื่องเหมือนแปลมันมันต้องตายแน่ๆสักวันหนึ่งใช่ไหม ถ้ามีความสง บ, บของพระนิพพานมันก็ไม่มีปัญหากับอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงไม่มีอะไรจะมาทําลายความสง บ, บของพระนิพพานความสุขของพระนิพพานได้โอเคนะครับขอบพระครุณพรบอาจารย์โอเคจำแม่แตนชัดที่ศิลาชากรามนวัวสการพระอาจารย์ครับปิดเท<ะ>้า<ะ>ไม่ยังปิดเาไม่ยังย่างครับ อาทิตย์หน้าจะสอบปลายภานะครโอเคซื้อหนสือเยอะนะครับ อ, อยากขอพรนะขอพรไม่ได้นะครับต้องดูหนังสือถึงจะได้นะครับวันนี้ไหวไงวันะว น, นี้จะมัดไม่มีอะไรครับแต่เจตีจะมารายงานการทำข้อสอบฟรีเทสของเจตีครับว่ามาเจตีมีอะไรก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ จจติอาเจียออกมาเป็นน้ําดีสีเขียวเหมือนที่พระอาจารย์สอนในอาการสามสบสองครับ mm hmm. จจติต้องไปหาหมอครับ mm hmm. ตอนที่ไปหาหมอคุณหมอให้เอกซเรยร์ครับจจตีกลัวว่าจะมีอะไรในลาไส้แล้วก็จะตายครับดับพอลอ้ขึ้นได้ว่าพระอาจารย์สอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเลยก็เริ่มไม่กลัวเลยครับ mm hmm. เพราะาร่างกายนี้จะต้องเกิดแก่เจ็บตายครับเป็นอันนี้จังครับ อินวิซูมนไม่ตานะครับแต่ว่าร่างกายยังตายต้องขอครับต้องขอขอคุณพรออาจารย์มากเลยครับพี่สอนเรื่องนี้ครับไม่กลัวจริงๆจริงจริงรึเปล่าไม่กลัวจริงจริงรึเปล่าจริงครับไม่ได้ไปทุกข์ใช่ไมเฉยเฉยใช่ไหมใช่ครับหายก็หายนะไม่หายก็มันก็เราไปเลยนะครับดีมากต้องมีข้อสอบถึงจะรู้ว่าสอบผ่านหรืว่า่นะ ถ้าตกใจกลัวกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ยแสดงว่าเสาตกมาแล้วเมื่อเช้านี้มีลูกุกเสร็จคนหนึ่งเกด็กอายุประมาณสักหกเจ็ดขวบมากับพ่อแม่ทุกวันมาสายบายมาไกลมาไกลยายด้วยแต่วันนี้พ่อแม่ไม่ได้มามากับยายสองคนหน้าซึมเศร้าเลยห้าท่านเป็นไรพ่อแม่ไม่อยู่ไปนูน่นไปนะน อยู่อยู่คนเดียวกับยายอย่โอเศร้าพอดียังเด็กเกินไปแล้วไม่ได้สอนว่าเราต้องพัดท่าจากกันเป็นธรรมดาเพราเราไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดนะก็อะะสอนก็มองดูน้องตาเสิน้องตาก็อยู่คนเดียวมันตลอดไม่ได้เดือดนอนเป็นลูกศิษย์นองตาก็ต้องต้องอยู่คนเดียวได้ม่มีพ่อไ ม, ม่แม่ก็ต้องอยู่ได้เขาก็ได้สติขึ้นมาเลย มีกำลังใจหนะ่อยเราต้องเข้าใจคาว่านิจังนะอนิจังไม่เที่ยงใช่ไหมร่างกายเราไม่เที่ยงใช่ไหบเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ไม่เจ็บใช่ไหมอันนี้หายรด้ยังตอนที่ความเจ็บหายรด้ยังหายแล้วครับหายแล้วใช่ไหมดีเอาว่าเอามาสอนใจนะมันเจ็บเท่าไหร่มันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเราทับใจเฉยๆไว้ แต่มันไม่ยอมเฉยก็ท่องพุโทโธพุโทโธท่องอางารที่สิบสองไปก็ไดนะนะ้อย่างที่สานให้ใช้เนี่ยเวลาใจเราไม่สบายใจเราไม่เป็นปกติก็ท่องพุโทโธไปแล้วท่องอางารที่สิบสองไปนะอยู่สวถาพลาหนึ่งใจเราก็เป็นปกติร่างกายจะหายไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาอยู่กับวันไปนเพราะฉะนั้นอะ่านท่างแล้วอานนั่งสมาธิด้วยนะ สาเหตุที่ชาติที่ทำใจได้ก็เพราะชาติที่นั่งสมาธิได้เรานั่งสมาธิไม่ได้ถึงไม่จะรู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวเราก็ยังทำใจไม่ได้เห็นคุณประโยชน์ของธรรมะของพระพุทธเจ้าเี่ยดับความทุกข์ได้ใช่ไหมบองทาคัดทำก็สอบคิดบ่อยๆนนเรา ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่มีอะไรแน่นอนนะอยู่วัในพรุ่งนี้อาจจะไม่อยู่ก็ได้นะนได้ไหมอาจารย์ครับโอเควันนี้จะทาบทเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้ฟังหน่อยไ้ไหมได้ม่เลยลืมไปแล้วเหรอครับ้แล้วครับอ่าอ่าน้องเามาเท่านะ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 ครับครับโอเคแล้วยานั่งสมาธิอยู่ทุกเลยหรือเ่านั่งอยู่ครับไม่ต้องให้แม่เรียกก็บปะต้องให้แม่บอกว่าไปยังต้องให้แม่เรียกอยู่ครับเอ่ถ้าแม่ไม่บอกไม่เรียกก็ไม่ไม่ไม่ไม่ยอมทำใช่ไหมไม่ได้นะต้องต้องรู้หน้าที่นะต้องรู้หน้าที่แม่จะบอกไม่บอกก็ต้องทำ ไม่อจะอยู่ บ, บ้านไม่อยู่บ้านถึงเวลาเราก็ต้องทำในเวลากินข้าวใครต้องมาบอกนะครับถึงการนัน่งสมาธิก็การให้อาหารกับ invisible man ให้ invisible man เป็นความสุขเป็นความ่ีครับนะครับโอเคมีอะไรไหมมีค่ะหนูมีคำถามนะคะอ พอเราปฏิบัติทำไปเรื่อยๆค่ะเวลาที่เราพิจารณาค่ะเราเริ่มเห็นว่าเราไม่สามารถวางใจไว้กับสิ่งต่างๆนอกตัวได้เพราะมันไม่เที่ยงใช่ไหมคะอนิจจังทุกขังอนัตตาค น, <ห>นสัต์สิ่ ง, งของเท้าของทุกอย่างลูกสามีอะค่ะมัน เ, <ร>เป็นแค่ของชั่วข้าวเราไปเพิ่งเขาไม่ได้ตลอดค่ะใช่ใช่มันมันอยู่ในโลกธรรมแปดด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะทีนี้พอเรากลับมาพิจารณาตัวเราเองค่ะ มันยิ่งวางใจลงไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอนิจจังเหมือนกันถูกไหมคะใชแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้ใช่ใช้สัญญาที่มันผุดขึ้นอะไรเงี้ยทุกอย่างนะคะทีนี้หนูก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเราไม่มีใจเราก็ไม่ต้องวางมันลงเขาไม่ควรจะมีใจใช่ไหมคะไม่ต้องมีไม่ต้องมีกายค่ะจะได้วางกายถ้าไม่มีกายก็ไม่ต้องไปวางกายที่มันมีกายก็เลยต้องไปวาง ไม่ใช่ใจใจนั้มันไม่มีไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นของที่มีอยู่เป็นอยู่คลับเรามาช่วงที่รันดอนแต่ร่างกายนะไม่มีมันได้ไม่เกิดไงไม่เกิดก็ไม่ทุกกับมันไม่ไม่เกิดก็ไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็การปฏิบัติธรรมค่ะพี่อาจารย์มันไม่ใช่ปฏิบัติไปแล้วมันได้อะไรแต่เหมือนกับมันค่อยๆทิ้งไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ ก็มันมันทิ้งมันทิ้งของที่มีแล้วมันก็ได้ของที่เราไม่มีก็คือความสงบเนี่ยเราได้แต่เรามันเรามองไม่เห็นมันเป็นของที่ไม่ใช่เป็นวัตถุของที่เราทิ้งไปเป็นวัตถุเป็นของที่เราเห็นแต่ของที่เราได้กลับมาก็คือความสงบค่อยๆทิ้งไปทีละสเต็ปใช่ไหมคะก็นล้ว่เราจะทิ้งได้มากน้อยเท่าไหร่ก็พิจารณาไปทุกอย่างอันไหนเป็น บางทีมันตั้งแต่บางทีมันจะแสวมเป็นเสเต็ปบางทีมันเข้ามาเป็นเจอไฟบังคับเนี่ยอยู่ดีคืนดีคนนั้นตายแปปุ๊บปั๊บขึ้นมาก็ก็ต้องาับใจให้ได้นะใช่ไหมแต่ถ้าขอถ้าเป็นเสเต็ปก็เบื้งต้นก็เอาจากของง่ายไปหาของยากของง่ายก็คือของนอกกายใช่ไห ม, อมเอาสมายัยนอกกองนอกกายคนแล้วก็ต่อมาบุคคลตื่นตาม เมื่อปล่อยได้หมดวายทรัพย์สมบัติปล่อยรูปปล่อยได้มันก็ต้องมาปล่อยน่างกายปล่อยเมตนาแล้วก็ปล่อยจิตที่ปล่อยตัวเราเองใช่ไหมคะก็ปล่อยจิตอะคือปล่อยอารมณ์ต่างๆที่เราอยากไปยึดไปติจิตก็คืออารมณ์ต่างๆเมตนาก็คือความสุขต่างๆหรือความทุกข์ที่เราไม่ปรารถนาก็ต้องปล่อย แต่เบื้องต้นปล่อยข้างนอกให้ได้ก่อนปล่อยของไปนอกใหได้ก่อทรัพย์ม ส, สมบัติข้าวของเงินทองบุคคลต่างๆลำบาอยู่มันมีก็มีเกิดล่มลายวันนี้ก็คแผ่นดินไว้บ้านพังถลายคนอื่นตายหมดหรือเล่าคนเดียวไม่มีทรัพย์สมบัติก็ไปอยู่ตามศูนะย์อพยพไป<ม>ที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นนักปฏิบัติแนละ้วต้องนอกนกระดิ่งกินกระใสต้องเป็นพวก พวกอะรพวกที่นอนกระดิ่งกระสายได้ Jamie Jamie. <Okay. S 1> พวกดรีจอนพวกโฮมレスเอาพุทธเจ้าเีพวกภาษาโกนี่ถ้าเป็นโฮมレスเนี่มัไม่มีบ้านมันอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่องผาอยู่ตามห้ําตามอะไรตามที่มีตามธรรมชาติเอาวันนี้ไม่มีค่าเช่า ถ้า <c oughs> ไปอยู่บ้านไปอยูคอนโดว่าเราต้องมีค่าเช่าเราต้องไปทำรายะงินรายองยุ่นวุ่นไวายไปอืม <c oughs> ันบงทีถูกไฟไหม้ครับสูญเสียทุกอย่างก็เลอยากจะได้รู้ว่าอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้ถ้า <c oughs> อยู่ไม่ได้แสดงว่าใจเรายังขาดทำมามากขาดดมเบิกขาอืมใ <c oughs> <c oughs> จเรามีก็บิกขามีสมาธิมีการสมองหลั่งันทร ไม่เมเดือตอนมันมีความสุขในตัวออกมันเองเนี่ยถ้าให้อาไปอยู่บ้างเนี่ยไปอยู่วัดเนี่ยไปไปไปที่เว้วอยู่คนเดียวบ้างตามดูเชื่อว่าใจเป็นยังไงเวลาห่างไกลจากสิ่งต่างๆคนต่างๆอยากไปอยู่คะ่ะแต่ว่าร้องตามไปด้วยก็ต้องตัดเอินบอกมันธรรมดาเต็มไฟรองทับจะร้องร้องตามไปก็ไปไม่ได้แีบนี้ เนี่ยว้องต้องบอกเขาว่านี้เป็นการทํากันบ้านซ้อมลบทะนะฮะเราหัดหัดแยกกันอยู่ว่าดีดีไหมแต่แม่แจะสที่ให้แม่ไปเถอะนะถึงเวลาม่าเขาจะไปไม่ห้ามเขาไม่ได้เราต้องหัดอยู่คนเดียวเนี่ยหัดหัดทำข้าวเองหัดหมุงข้าวหัดทอดไข่หัดต้มอะไรแม่ไม่อยู่ได้มีทํากินเองได้อนะ เป็นหน้าปฏิบัติต้องต้องซ้อมไม่ซ้อมยวถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะลาบากไม่ไม่เตรียมตัวไว้พอถึงเวลาทําข้อสอบจะสอบเนี่ยนีชัดดีเขาเขาเขาเคยเตรียมข้อสอบนี้มาก่อนพอถึงเวลาเราก็ทําได้เราไปทําข้อสอบว่าเราจะต้องพัดพาจากกันเจอความเจ็บแนละ้วเจ็บไข้แลนะ้่เราไปเจอเราไปดูอันที่เราต้องแยกคิด เราต้องไม่เราต้องพลาดพลาดจากกันของรักของที่เราชอบอดูสิว่าเราจะอยู่ได้มเราจะเดือดตอนไหถ้าเป็นรักปฏิบัติเราต้องอยู่ได้อย่างสบายไม่เดือนตอนเข้าใจนะเข้าใจค่ะคิดบ่อยๆแล้วเราต้องแยกเราต้องไม่เราต้องแยกกันสักวันไม่ได้อยู่กันแบบกล้าทำโง่ไปตลอด คุยกันเรื่องความตายทุกวันครับอาจารย์ตอนตายเราก็ต้องเอามาเอามาซ้อมทับปากจริงการคุยกันนี้ก็เป็นขั้นเริ่มต้นอันที่สามก็ต้องไปซ้อมยกกันสมมติว่าเราตายก็ต้องไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนตายจากกันทักสามวันดูไหมครับโอเคนะอบคุณครับขอบคุณครัอาจารย์ครับ ใครเข้าห้องนี้ต้องระวังนะห้องนี้นนนะมันมันเบรดแอสนะมีแต่เรืวว่องมีแต่เรื่องรุนแรงนะถ้าปั่นถ้าจิตใจอ่อนใจก็จะฟังไม่ได้พูดแต่เรื่องความแก่ความเจ็บความตายพูดแต่เรื่องพัดพลาดจากกันพูดแต่เรื่องมาสุภาพเลยนั่นคนที่ใจอ่อนใจอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนนะ ต่อไปหน้าก็ให้เข้าติดไว้สั้ติดเอกไว้ที่หน้าหน้าเพจก่อนว่า น, นี่เป็นโปรแกรมเอกนะเอกทางด้านธรรมะนีต้องเตือนไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเข้ามาแล้วจะมาบนทีหลังไม่ได้นะเอาไปขั้นต่อไปคุณสาธกาจากชายนาเรามาฟังซ้ำครัอาจารย์ค่ะปฏิบัติทุกวันค่ะไ อเออค่ะ า, า, มามาการได้มะม่วงยังอะอะไร น, นมมะมะม่วงอะค่ะส่งมาทางไปี่นี่เหรอได้ใช่ปกจะได้เนาะเพราะพระเือวนี้เราให้พระเขารับแทนแล้วพใ้ก็ตอบไปถ้าก็าตอบมาก็แสดงเก็รับก็ตอบอะไรอย่างเออไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะต้องนมันต้องต้องดีต้องเขียนเอบอร์โทรศัพท์ไปให้ท่านท่านได้ตรังต่อมานได้ครับ ลูกให้สวนเขาส่งไปค่ะประาชา์เรย์งัก็อาจจะไม่อาจจะตอบไปที่สวยก็ได้นําถานที่สวนมาดูค่ะค่ะประาชญ์ค่ะคราชแต่เราไม่มีเวลาที่จะมาเปิดของมาล้างของดูหรอกพราะมันมมน้ำหอมขอไปด้วยชไม่ไปบัปเอิญเห็นมันสวยลูกก็ลยสไปค่ะใชอก็ขอขอนุถนัก็ได้พน้ะค่ ะ, รนนะประาชญ์ไปดูเลยก็สวยนะค่ะ ตะวันตะวันจูเดียกับแม่ <c oughs> อ่ากเนเธอร์แลนด์ครับมัสการพระจานางครับว่าอย่างไงมีอะไรไหมวันนี้วันนี้มีหนึ่งคำถามครับว่ า, วามาทอมผมลมหมดชาติ ผมก็กาลองคิดพูดทอพูดทอแล้วก็ผมคิดละเกือบจะตายผมทำถูกไหมหรือว่าไม่ถูกแล้วก็อะไรผมต้องทำมากกว่าครับทำพูดทอแลนะ้วอย่างไหายทุกพูดธอหายไปเลยยังไงเองพูดใหม่เลยไม่เข้าใจใเ อ, อช่องานผมอาบน้ำาชร ผมข้อหลุมแล้วก็เอหมดาติหมดสตินอมเหรอนอมหมดสติใช่โอเคได้เลแล้วก็ผมก็คิดผู้ชอแล้วก็ผมก็คิดล่าเกิดจะตายผมชอมถูกไหมแล้วอะไรผมจะจุ้งชอมเราตกใจหรือเปล่าเราตกใจหรือเปล่าชูจึงใช้เป็นพวก ตกใจทุกใจหรอือเปล่าไม่สบายใจหรอือเปล่าต้องต้องอยากต้องต้องต้องทำใจว่าเป็นธรรมดาเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ให้มันเกิดไปเราต้องรักษาใจเราให้เฉยเฉยมันผ่านไปได้เข้าใจไหมถ้าเป็นถ้ามันไม่เฉยใจไม่เฉยเฉยก็ต้องต้องพูดโธไปเรื่อยเืยเดี๋ยวทําทไปสักพักเดี๋ยวใจก็จะเฉยได้ ถ้าเสียใจร้องไห้ก็ต้องต้องต้อ ง, อ ง, องหยุดกันนะต้องท่อพุทโธพุทโธ ถ, ถ, ถ, ถ, ถามว่าร้องไปทําไมร้องไมด้อะไรขึ้ น, นมันเกิดแล้วมันผ่านไปแล้วใช่ไหยเหตุการณ์มั <regarder S 1> นผ่านไปแล้วกว็าปล่อยมันผ่านไปแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนตอนที่เรายังไม่ได้ลงกลับมาเริ่มตนม้นใหม่กระจายไหมถ้ามันถ้ามันยังร้องไห้มันยัง มันยังทงมันเจ็บมันใจใจเสียอยู่ก็ท่งพุโทโธพุโทโธไปอปท่างไปยากลัดใจจะกลับมาเป็นปกติเมื่ตอนนี้ใช่ไหมมันผ่านไปแล้วใช่ไหมเหตุการณ์ใช่เ อ, อ, เ, อ, อเราต้องรักษาใจเราให้เป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็ผ่านไปแล้วเหมือนเราหน้ารถไปก็รถไปเจอเจอบออ แล้วมันก็ผ่านไปนะฮนะใจไม่เฉยใจไม่นิ่งใจไม่สบายก็เท่าพุโทโธไปจนปราบปัญญานิ่งจะเฉยจะสบายหรือสวนวนไปก็ได้นะถ้าพุโทโธคําเดียวมันสั้นกันไปก็สวดอะไรยาวๆมาได้สวดไปเรื่อยๆจนใจจะสบายถ้าใจยังไม่สบายก็สวดต่อๆไป เดี๋ยวมันก็สบายอาจารยนะใช่ครับถ้าคุณแม่มีอะไรเปลานี่วันนี้คุณแม่ไม่มีคาถามค่ะอาจารย์ไม่มีอยู่ใกล้เมืองไหนนั่นใกล้อัมสเตอร์ดัมมัอยใกล้ก็ห่างจากอัมสเตอร์ดัมประมาณ20กิโลค่ะอาจารย์ไปทางเหนือทาตอนออกทางเหนือค่ะอยู่ใกล้สนามบินค่ะอาจารย์สนามบินชิปโป้เนี่่ะ อยู่ใกล้มากๆค่ะเคยไปอยู่อาสเดมอยู่พักหนึ่งแต่ไม่ลานไปเป็นนักท่องเที่ยวตอนที่สมัยพึ่งเรียนจบใหม่ๆอะไรแบบนี้นั้นอยู่ใกล้ๆสถ <Dam S 2> านที่รถไฟสถานีมีมีหอท่าถูกๆอ <c oughs> ยู่ค่ะภาษาค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะภาษาบางที ถ้าไปนี่ไม่ค่อยจะพาลูกชายไปเพราะว่าเดินๆไปนี่มีกลิ่นเขาสูบกัญชากันคนก็อยากไปที่อับสดงเพราะอับสแตงก็อนุญาตให้คนสูบกัญชาได้ไม่ถูกตำรวจมาจับไปบางครั้งบางคราวได้ค่ะถ้าไปอยู่ตรงนั้นคือโยมไม่ไม่ชอบใช่มันเป็นที่อยู่ของพวกกบายอมกใช่ค่ะพวกเสี่บายอมกใช่ค่ะแต่ถ้าไปดูไปชมไปสัมผัสรับรู้หน่อยก็ไปได้ไปเที่ยวดู ค่ะค่ะโอเคนะถ้าไม่มีอะไรก็ขอไปที่ท่านต่อไปขอขอบพระคุณคร่าการการคมเิไลจากกทมเชิญกับนมศักดิ์าระจันท์ค่ะยังไงในคณทุกคนไม่อยู่นะอยู่ค่ะมาแล้วค่ะวมักดรจันทร์ครับทำอะไำนัไกลนะอยู่เดินไกลนิดนึงค่ะ ฟังอยู่ไกลๆ <Okay. S 1> ค่ะมีอะไรไหมวันนี้อืพอดีเมื่อคืนนี้ฟังเรื่องเกี่ยวกับความสงสารที่ฝรั่งคนหนึ่งเขาเรียนถามพระอาจารย์ผ่านใช่ไหมคะที่เด็กพ่อแม่ก็เสียชีวิตได้ใช่ไงก็เคยเรียนถามพระอาจารย์ไปครัง้งนึงแล้วนะคะเรื่องของความสงสารว่าจริงๆแล้วไอ้ความสงสารนี่มันเป็นกิเลสหรือไม่นะคะเราต้อง ปฏิบัติยังไงคือจิตจิตเนี่ยสงสารได้ไหมเล่าไศร้าลเล่าไปเศร้ามันเล่าไปเศร้ามันสงสารได้แต่ต้องยอมรับ ว, ว่านี่คือคือกฎของตายแล้วเราอยู่ในโลกของตายแล้วมันก็ต้องมีเกิดมีดับค่ะแต่ช่วยด้วยกันได้ก็ชวยด้วกันไป<ะ>ต้องแยกเป็นสองประเด็นคือต้องมี ม, ม, มีมีสงสารควบคู่ไปกับปัญญาด้วยต้องมีปัญญามาปกครองด้วย ปัญญาเราจะสอนใจว่าเนี่อยู่ในโลกของความไม่ไม่แน่นอนมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาแต่ถ้านเมื่อเกิดเหตุการณแล้วก็ดูแลผู้ที่เขายังอยูย่ต่อไปผู้ที่ไปแล้วก็ต้อ ง, ก, องก็ถือว่าหมดก็หมดหมดนนหน้าที่ของเขาแล้วเขาไปแล้วอย่างนั้นในในใจเราก็คือก็วางนิ่งเหมือนปกตินแต่แล้วร่างกายเราก็ช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยไป ชวนได้มากได้น้อยก็ทำไปตามกำลังค่ะเพราะว่าคํคามเ<า>่าช่วยบรรเทาความทุกข์ความเหงาตอนความกอยู่คนตายก็เอาไปเผาเอาไปฝังกันค่ะหรือเรื่องอื่นๆเราก็ใช้เมตตาใช่ไหมคะเพราะว่าพอเห็นปกติแล้วคนปกติในโลกปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นนู่นเห็นนี่ไกลบ้างไกลบ้างก็จะได้ยินคําพูดถึงว่าโอ๊ยสงสารจังเลยเนาะ จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องของเรากอบางทีกขาพูดไปอย่างนั้นแะวันนี้ถ้าสงสารจริงมันต้องทำอะไรทั้งอย่างสงสารตป่ปาก น, นี่มันก็ไม่ได้เปิดประโยชน์สงารแล้วทำทำอะไรได้คนจะทำถ้าทำอะไรไม่ ไ, มได้ก็อย่ า, ย า, ยาพูดดีกว่าเดี๋ยวก็อย่ า, าเไปดัดใจนะเขหมคุณค่าของคำพูดมันอยู่ที่การกระทำ ถ้าพูกไปแล้วไม่มีการกระทำตามมามันก็มันก็เป็นลหมปอนลมปาบพูดไปทำอไรเพราะว่ามันเกิดบางทีเกิดเกิดไกลไม่อยู่ในประเทศเราด้วยซ้าไปอย่างเงี้นะพมไปไปมีสื่อเข้าก็แบบทุกคนก็บอกเราไม่ใส่ไม่มีสติก็พูดไปตามตามความคิดสั้นคิดได้ค่ะค่ะแต่ก็เรื่องของเขาไม่ไม่ได้ว่ากันแต่สาหรับพวกคนที่ เ็คนจริงนะถ้าสงสารก็ทำรายแรกแล้วช่วยกันไปนี่ใช่ไหก็จะได้นำเอาไปไปติดกอย่าไปทุกอย่าไปทุกกับอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นธรรมดาของโลกในทางลงข้ามคนอื่นเขาได้ดีได้ดีแล้วก็อย่าเป็นอิจฉาในสยาอย่าเปเราไม่ชอบเขาแต่เขาได้เล่าเรื่องมาเป็นนายกนี้เราจะทำไงเอวละ เราก็ต้องยอมรับเข้าไปอยนแสดงความยินดีกับเข้าไปเหมือนนักกีฬาทีมนอาแพ้ทีมเข้าชนะแล้วก็ต้องมีสเปริลของนักกีฬาในรางูุทิตารอมุทิตาก็ได้ข้อคิดไปเยอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาสงสารเกิดเนี่ยเราจะไม่ถูกแะแต่ว่ากายเราเรามีพลักกำลังอะไรเราก็ช่วย นะคะแต่ว่าเราก็ใจเราก็นิ่งแต่ก็ต้องนิ่งไม่อย่างกินไม่ได้นอนไม่หลับตรงนี้ช่วยแล้วยังกินไม่ได้นอไนไม่ไหมลับก็แสดงว่าขาดอุเบกขาขาดปัญญาเราต้องฝึกตรงอุเบกาเนี่ยค่ะให้มันให้มากให้นิ่งให้มากคือให้มันมนิ่งสมาธิให้มันเข้าสมาธิได้นานๆนิ่ง <ๆ S 1> เฉยๆเราได้ค่ะได้แล้วก็ ลองทำให้คุณทุกคุณสองมาให้ก็รู้สึกน่าจะดีขึ้นนะปลองทํำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถามว่ามันต้องทํากี่นาทีเนี่ยถ้าดัดถ้าออกกําลังผมทําทุกเช้าประมาณชั่วโมงหนึ่งครับจก็ทําชั่วโมงนึงไอ้ท่าผมผมทําหลายท่าอแต่ตรงไอ้ทาไอ้ท่านอนในที่ที่แบบที่ทะยอกข่าขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าใช้ใช้แขนสอดเข้าไปใต้ ไปบานพับของหัวเข่าเนี่ยจะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะแล้วต้องอยู่นานต้องแช่นานไม่เวลาครับแช่ประมาณ ส, ส, ส, สิบวินาทียี่สิบวินาทีแล้วแต่มันจะช่วยให้แถวหลัง บ, บ่าห้าเนี่ยมันยืดทําทํากี่ครั้ตงตอก็ทําประมาณครึ่งชั่วโมงครึ <laughs> ่งชั่วโมงนั้นท่านี่เลยครึ่งชั่วโมงทําได้ไม่เป็นไรใช่รับ ก็ผมผมผมทำเองเดี่ยทุกเช้าประมาณชั่วโมงหนึ่งครับแต่ว่ามีสามสี่ท่าครับที่ทำขอบคุณมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเริกค่อยๆเริ่มนะค่ะใช่ไม่ข้าวคองไปซีลโอเคนีการร้การค่ะทุกคนไปที่สันเดินน้ำโมจากคุณยาย คุณยายสบายดีนะคุณยายอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วค่ะกรับอาจารย์คุณยายก็อาการดีขึ้นเยอะมากครับถ้าเทียบกับตอนที่ป่วยครับอาจารย์มันการที่จะเป็นได้ก็หายได้แล้่ก็เป็นปอย่างไปดีใจนะมันเป็นน้องธรรมดาของร่างกาย๋ยวเป็นแล้วก็หายหายแล้วก็เป็นอย่างนี้ไป ครับอาจารย์ก็ยังระลึกถึงท่านอยู่นะคะดีระลึกและทำใจให้นี่ยนะหวัว่าครับอาจารย์ครับคุณยายก็จะพูดถึงแต่อาจารย์หือกว่าวันนี้วันฟุดแล้วนะเข้าซูด้วยซีผมพูดตั้งแต่ตื่นเลยครับผมยังงงว่าใจดูได้ไงผมยังงงงงเลยวันนี้วันหนักตื่นเช้ามายังเบลออยู่ครับอาจารย์ว่า เกิดอะไรขึ้นแล้วคุณใหญ่บอกอวันนี้วันพุธเหมือนรออยู่แล้วเราตื่นวันนี้วันพุธพายายเข้าซูงด้วยซีต้องทําหน้าที่ของเรานะครับอาจารย์ก็ต้องทําหน้าที่ครับวันนี้ก็ดีบกลับมาพาคุณใยายเข้าซูงให้คุณยายนั่งฟังทำไปเรื่อยๆคุณยายไม่มีคำถามอะไรก็ไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆเรื่องที่เรับกล้วยกันนี่มีประโยชน์สามารถช่วยให้จิตใจเราสงบ ทำให้จิตใจเราปล่อยวางได้ครับอาจารย์ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับอะไรที่จะเกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องของธรรมดาเหมือนดินฟ้าอากาศมันมันจะตกแดดได้ออกเป็นเรื่องของมันเราก็รับรู้ไปเฉยๆครับอาจารย์มีอะไรัหมก็กลับไปเล่งความเพียรเต็มสปีดเลยครับอาจารย์ปฏิบตนนัติต่อเ น, นื่องต่อเนื่องแบบ ปฏิบัติตลอดเลยครับอาจารย์แล้วก็อมันเวลาที่เราฝึกฝึกสมาธิอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันก็จะรวมได้แบบค่อนข้างง่ายครับอาจารย์แล้วก็รวดเร็วขึ้นแต่เริ่มกับเมื่อตอนแรกที่เริ่มปฏิบัติอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็ในชีวิตประจําวันเราก็จะฝึกดูอารมณ์แล้วก็การเคลื่อนไหวของจิตว่ามัน เป็นยังไงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงมันเป็นอนิจจานทุกขังนักตานะ้องเข้ามาเป็นใจรัอะไรเงี้ยครับอาจารย์จนทุกวันนี้เวลาที่แบบมีคนทําเสียงดําดังแบบทุบโต๊ะหรือว่าทําของหล่นหรืออะไรเงี้ยครับอาจารย์หรือเวลาที่ผมจะทําของหล่นมันจะมีสติไปะลึกดรู้วิธีการกับเพื่อนของจิตนะคะรับอาจารย์มันจะเห็นการขึ้กับเพื่อนของจิตว่าเฮ้ยมัน วูบไปเลยมันเป็นการวูบอะครับพระอาจารย์มันเป็นการวูบฟึบแล้วมันเป็นการเห็นว่ามันเกิดเกิดแล้วมันดับหายอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันจะเห็นการเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ตลอดตลอดแถวพระอาจารย์เวลาที่มันมีอะไรเข้ามากระทบแล้วเมื่อวันเนี้ยครับอาจารย์มันก็จะดีขึ้นหน่อยตรงที่ว่าพอมันมีเห็นการเกิดดับในตรงเนี้ยเราจะสภาวะของเราคือมันมันมีใช่ไหมครับแล้วพอมันมีเราจะถอยออกมามันเหมือนแบบเราถอยออกไปเห็น เตัเราเป็นู้รู้เฉเฉยๆครับอาจารย์เราเราจะดูอยู่ข้างในเราจะไม่ได้ไปกระเพื่อมตามเพราะก่อนหน้านี้มันจะแค่เห็นการเกิดต่างๆแต่นี้พอมันถอยออกมามันจะเห็นแยกกันชัดเจนระหว่างร่างกายกับตัวอินวิสิเบลแมนแล้วก็สิ่งที่มากระทบแล้วก็การไปรับรู้สิ่งต่างๆมันจะเห็นแยกกันอย่างเงี้ยครับใช่พยายามรักษาใจเราว่าไม่ว่าอะไรจะมากระทบใจต้องเฉยนะ แต่อย่าไปมี<ข>ปฏิกิริยาครับอะไรทางทางทางปวงครัอาจารย์แล้วก็ในเรื่องของตัวสังโยตตัวแรกเรื่องสกออายาทิเทียคอาจารย์ผมก็ยพยายามที่จะละด้วยการออมองว่าเออร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นอย่างนี้มันเป็นมันไม่ได้สวยนีน่งามอะไรอย่างนี้ก็พิจารณาของผมไปแล้วก็ล่าสุดผมโดนต่อยครับพระอาจารย์อบบนี้ตอนตอนที่โดนต่อยก็ วันแรกก็ไม่มีอาการอะไรมันก็มันก็แค่เหมือนคันนะครับพันจันแล้วมันร่วงมาวันที่สองวันที่สามมันบวมมันบวมเป่งครับอาจารย์บวมแดงน่ากลัวทีนี้ผมก็คือคือเห็นก็เฮ้ยมันบวมแล้วนะแต่แต่ก็ตามเหตุตามปัจจัยครับพันจันเห็นมันบวมก็ต้องบอกคุณแม่ว่าแม่ครับเออมันบวมครับผมควรต้องทำอย่างไรคุณแม่ก็ตกใจเพราะว่าโดนต่อยที่ไหล่ด้านซ้ายครับพันจย์ซึ่งมันใกล้กับ หัวใจมันก็ใกล้กับตรงคอคุณแม่ก็บอกเฮ้ย hey, ไม่ได้แล้วต้องรีบไปหาหมอหนูนี่นั่นตอนนั่งรถไปคุณก็ดูโอ้อารมณมันกับเพื่อมอแต่มันก็อยู่เฉยได้คือเราเห็นแล้วว่าเนี่ยเราเราห่วงร่างกายแต่พอเรารู้เท่านั้นแหะ ว, ว่าเราห่วงร่างกายความห่วงมันหายไปมันกลกายเป็นความสบายใจมันกลนความโล่งใจนะค ร, รัออคออบอาจารย์ว่เาเออนึกถึงคําสอนครูบาอาจารย์โดยเฉพาะของอาจารย์ที่บอกว่า เนี่ยยังไงมันก็ต้องตายให้ต่อให้ต่อจะต่อยแล้วตายหรือว่าต่อครา้นี้ไม่ตายยังไงมันก็ต้องตายยังไงมันต้องตายคิดคิดอย่างนี้มันทําให้ใจมันโล่งแล้ววางลงนะคะอาจารย์มันมันเห็นการเกิดว่าเฮ้ยมันพ่วมแล้วและเสร็จแล้วมันเออแต่ยังไงก็ช่างมันแล้วก็เดินไปหาแม่เนี้ยครับอาจารย์มันจะเห็นการระดับดีมากอินสติทูตปัญญาไม่เตือนตนอกนะไม่เตือนตนอกไม่หวาดกลัว ครับอาจารย์มแม่แม่เป็นแล้วน้รีบพาไปโรงพยาบาล <c oughs> คุณคุณแม่เขาเป็นห่วงครับอาจารย์แล้วก็ <c oughs> ช่วงนี้ผมฝึกอฝึกที่จะเห็นกายมีกาย ก, ายก็ฝึกอสุภกรรมฐานแบบเต็มที่มากเลยครับนอกจากการฝึกสมาธิ <c oughs> ก็ทุกวันเนี้ยครับเวลาที่ไปโรงเรียนจะเจอทุกวันเลยคือเวลาที่แบบสาว <c oughs> สาวเดินผ่านอย่างนี้เราก็จะบอก วยิ้มอยูคงกระดูกอยู่ในใจคงกระดูปข้องคุณอยู่ไหนบางทีบางทีมันนึกไม่ออกครับอาจารย์คือคงกระดูะด้วยความที่เราเรายังใช้จินตนาการในการจินตนาการใช้ใช้จินตภาพไม่คล่องมันก็เลยต้องเปลี่ยนแผนครับอาจารย์ผมก็เลยไปลื้อเอาหยิบหนังสือลงตาบัวกายัคตาสติขึ้นมา อ่านใหม่อีกรอบหนึ่งทางนี้ผมก็นั่งไล่ตั้งแต่ผมอ่ะขนเป็นอย่างงี้เล็บเป็นอย่างงี้เอื้ออในกระดูกเนื้อหนังดูไปทีละอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็จดจําภาพมองภาพจ้องภาพแล้วก็ปิดตาเนืกอเนื้อเนื้อนะางนี้มันฝังครับอาจารย์เวลาเราเห็นคนเดินผ่านอย่างเงี้ยเราเห็นผู้หญิงเดินผ่านช้าวเดินผ่านเนี่ย <c oughs> สิ่งที่เราจะเห็นคือบางทีบางทีถ้าเขาอยู่ในระยะที่ไกลอย่างเงี้ยครับพีาจยา์เราจะสามารถมี คือมองแล้วเห็นได้เลยเป็นแบบเราจะเห็นตับไตไส้พุมเนี่ยพจ้าเนมันจะเห็นมันลำไส้อะไรอย่างเงี้ยพเจ้า<ไ>แต่เวลาที่มันมาประชิด ต, ตัวแล้วอย่างเงี้ยคือเวลาเขามาประชิด ต, ตัวเราก็แบบเฮ้ยเอาไงดิเราปิดตาก่อน ป, ปิดตาปิดตานึกนึกข้างโอเคลำไส้มาละโอเคลำไส้เป็นอย่างนี้เป็นผ้าที่เขาเผาออกมาแล้วเห็นลำไส้ตับม้ามอะไรอย่างนี้อยู่ข้างในเราก็มาละมาละ มองที่ท้องเขาว่าคุณมีไหมเออมีคุณมีกระดูกไหมนึกกระดูกมองอ๋อมีก็คิดไปอย่างเงี้ยครับอาจารย์เล่นกับมันทางวิถวานเพื่อนก็งงบอกนโมเป็นอะไรมองอะไรพวกนี้ย อ, นอย่าไปพูดกับคนอื่นบ้านเดี๋ยวก็ใช่ว่าเราเป็นบ้านนะ <c ười> ใช่ เ, า เ, เขาคงนึกแล้วว่าผมเป็นบ้าน อ, อ, อ, อ, อยู่ดีๆผมก็ เ, เริ่มท่องแล้วมั้งผมคนเล่นฟันน้ำเล่นกระดูกก็ไม่รู้คุณประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้ ครับอาจารย์ถ้ามาคุยในห้องนี้ไม่เวลาไรแต่อย่าไปคุยที่อ่นนะเดี๋ยวครับอาจารย์แล้วก็ได้ความที่เราช่วงนี้เราภาวนาครับ คือมันด้วยความที่เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติผมก็มีความรู้สึกนะครับอาจารย์วมันเป็นอันตรายคนรอบข้างนิดนึงเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเคสผมคือจะโดนเพื่อนแกล้งบ่อยนะคระับอาจารย์เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาแกล้งเราเฮ้ยมันเป็นการสร้างอคุศสกรรมให้กับตัวเขาเองมันมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ผมก็เลยพยายามที่จะปลีกตัวออกมาเข้าที่ทําได้ครับอาจารย์ก็สันโดดตามชื่อครับผมอาจารย์ดีดีพยายามนะอยเป็นคุยผีกับใครได้ก็ได้นะ ใช่ อ, อาแต่ก็ถ้าเจอกันก็ใช้ความเมตตาทักทายกันไกันไปตามปกติครับอาจารย์แล้วก็บางทีมัน มีนิพิทายันความเบื่อหน่ายขึ้นมาครับอาจารย์ว่าแต่เราก็ตามรู้ท่านครับคือมันมีความรู้สึกพอเราพิจารณากายสังขารเราพิจารณาขันห้าเราพิจารณาอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆสติปัฏฐานโน่นนี่นั่นแล้วเราก็กลับมาพิจารณาว่าเออคนในสังคมเรามันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะต้องอุเบกขาให้ได้นีะครับอาจารย์<อ>ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราก็เปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้เหมือนเราห้ามฝนให้ตกไม่ได้เราห้ามพระอาทิตให้ขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยครับอาจารย์ มันก็ทําให้เราเริ่มแบบเ อ, อ๊แล้วฉันจะมาอยู่ตรงนี้ทําไมฉันมาทําไมอยู่ตรงนี้เมื <c> ่อ <oughs> มันเปลีป่ยนไม่ได้เราก็แบบบางทีเราก็แอบคิดเล่นๆว่าเอยหรือหรือเราจะควรหนีเข้าป่ากับคุณพัจันทรอย่างเงี้ยอะไรนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> กลับมานัา่งคิดใหม่เ อ, อ๋อไม่ได้หน้าที่ของเราตอนนี้คือเรียนก่อนเรียน <c oughs> เรียนให้พ่อแม่เขาโอเคก่อนแ้ว เ, เดี๋ยวเราค่อยไปคําทางคําให้มันสุดๆ <c oughs> หลังจากที่เราทําให้พ่อ ตอบแทนพระคุณพ่อแม่แล้วนยครับมีมีมากใช่ได้ใได้อาจารย์ครับครับต่อไปครับอาจารย์แล้วก็ทุกวันนี้ศีลนะครับอาจารย์ผมก็จะพยายามให้มันมากกว่าศีลห้าจะมีในเรื่องของการนอนตื้นบางวันถ้าเป็นไปได้ก็จะไม่ร้องเพลงอย่างเงีน้ยะครับอาจารย์มันก็ต้องสลับกันไปเพราะเรามีวิชาดนตรีแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ไปนึกขึ้นได้ก็คือตอนที่เรียนร้องเพลงนะครับอาจารย์มันมันเป็นโน้ตที่ค่อนข้างสูงมากแล้วเราก็ปัดเสียงเรามันไปนไ่ถึงครูเขาก็บอกว่าคือครูเขาก็สนใจครับมาครับครูเขาก็บอกว่าเออก็อย่าไปคิดสิว่ามันเป็นตัวเราอย่าไปอย่าไปยึดมันเป็นตัวเราให้ปล่อยให้ปล่อยร้องในที่ว่างเราเรา เลยปิ้งนะคอาจารย์ทุกคงเวลาใครพูดอะไรมมันจะปิ๊งว่าอ๋อแบบเออเพราะเราไปยึดอ่าเข้าใจละเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรเราก็จะทำด้วยความว่างแต่มีสติกากับนี่ครับอาจารย์อ่าดีมากดีมากครับผมอาจารย์ครับขอปกมให้หน่อยอ่าโอเคนะทบต่อไปนะครับอาจารย์แล้วก็ บางทีถ้ามันขึ้นมากๆมันฟุ้งก็ต้องหยุดชิ้นนะเข้าไป<ช>สมาที่บ้างอย่าฟุ้งซ่านไดนะ้แม่ดับไปปัญญาเราฟุง้งซานได้ครับอาจารย์ก็ต้องวนอยู่ครับว่า<ช>สมาธิมันยังไม่แม่นจะไปปัญญาําบาะเมื่อขึ้นมากๆมันฟุง้งขึ้นมาเลยก็ต้องหยุดมันนะ่ะเข้าไปพักในสมาธิบ้างนะครับอาจารย์ได้ครับฝึกต่อเ น, นื่องครับคุณพระอาจารย์ครับก็คือพระอาจา ไปที่คุณหมอสุทัาเสนอธุมธา น, นี้กับลูกสาวยังไงปิดเทรม่อไรจ๊ะปิดแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์จบเท่าไหนแนละ้วจบป .5 ค่ะป .5 จบปิดหมนะอ๋อค่ ะ, ะ, ะกลับไปยันท่านอาจารย์เจ้าค่ะธรรมะที่ท่านอาจารย์เมตตาสั่งสอนวันนี้เรื่องความแก่ความเจ็บความตาย การพักผ่าได้ยินได้ฟังแล้วทราบถูกทราบสนใจมากเจ้าค่ะประทับใจมากเจ้าค่ะเื่อเป็นชาวสาวพุฎจ้าพอเราดูดีเข้าหน้าเราก็นนาประทับใจแล้วก็จดจำไม่ตลอดใช่ค่ะไม่มีพุฎจ้า ก, ก็ยังไม่มีการมาสอนเรื่องราวเนี้สอนให้สวยให้งามให้ทําสัญญกรรมไปเรื่อยๆ เ, <lunch> เดี๋ยวนังเกี่ยวก็ไปเดืมมันเดี๋ยวก็ไปฉีดยาให้มันเติมขึ้นมา ี่ถูกความหลงหลอกตอนแรนที่สุดก็สู้ไม่ไหวแล้วก็แก่แล้วก็เหี่ยวอยู่ดีใช่ไหมที่เหี่ยวแบบไม่เป็น <c oughs> เหี่ยวแบ บ, แบบไม่เป็นธรรมชาติที่มันน่าเกลียดน่ า, นาปา่วยแต่ละพวกคอยดูพวกที่ไปทําใช้สัญญกรรมใช้ฉีดใช้ะนะอะไรเนี่ยก็เป็นเวลาที่มันเหี่ยวแบบเหี่ยวจริงๆนี่ยโอ้โหน่าเกลียดน่าป่วยากกว่าเหี่ยวแบบธรรมชาตินะเจ้าค่ะ แต่ก็เป็นเรื่องของโลกเราก็เป็นอย่างนี้เราก็ลงลงกับความสวยภาพงามเนะี่แหละกามการมฉันทะความยินดีในรูปสิ่งเก่งรอดปวดต่างนนเรามาเอาความสวยงามทางจิตใจด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้ยกนะด้วยฐานเจ้าค่ท่านจารย์ ขอบพระคุณธรรมอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะอช่สาวดวงใจคุณหมอภาสนานต่อคอทมอยังไม่ปล่ดไม่เลยหมอไม่เสีย เ, เลยปล่อยได้ไม่นะ ไ, มไมเสียได้ยินไหมคะอาจารย์ได้ยินนะได้อ๋อค่ะอาจารย์กลับนมรสการค่ะก็ที่ปฏิบัติมาทั้งอาทิตย์ก็ยังรักษาความสงบได้พระอาจารย์ยั ง, ง, าายยงคือคือมึงเข้าใจว่า มันก็คือต้องคือใช้ดาบติปัญญาดูเรื่องความอยากมันยังไม่มีความอยากนะคะอาจารย์เลยยังไม่เจอข้ออยั่จอข้อสอบใช่ไหมรัรออยู่มัะจารย์จะอยว่าค่ะก็ดูอยู่ตลอดนะคะพระอาจารย์คือคอยเฝ้าดูอยู่แต่ไม่เหนื่อยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่เหนื่อยแล้วพ่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็เข้าสมาธิได้จริงๆแล้วเหมือนกับเข้าหรือไม่เข้ามันก็สงบค่ะพระอาจารย์แต่ก็ยังเข้าตลอดนะคะพระอาจารย์ก็พักก็แบบ เดี๋ยวทิศหน้าไม่ได้เข้านะพระอาจารย์ทิศหน้าไปเลยค่ะพระอาจารย์ไปเลยไปเลยไปเลยนไปเลยไปเลยนี่คือจริงๆแล้วคือเข้าใจนะพระอาจารย์ว่ายัางไงก็ต้องไปพระอาจารย์เลยย่งเงี้ยต้องไปเลยแน่ๆนอยู่แล้วไปเลยเอุ<ล>ย <c oughs> ้ย เ, <c oughs> เราบอกที่บ้านไม่ตลอดค่ะพระอาจารย์เตรียมตัวให้ว่าเราพัดพลาดแน่ๆยังไงก็ต้องพัดปลาดยังไงก็ต้องตายถือที่บ้านคือแบบเข้าใจกันนะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเราพยายามคือม่คือ เพราะว่ามันคือความจริงไงพระอาจารย์พู่งเสียงความจริงรตลอดรู้สึกคสบายใจแต่อย่าไปเชื่อดอย่ามันอย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกันเดีย๋ยวนี้ไม่ทุกข์แล้วค่ะไม่ ไ, ไม่อยาก<ะ>มากอะไรจะเกิดก็เกิดค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากนะคะพระอาจารย์รู้สึกมีความพึงพอใจไปปฏิบัติแยกตัวกันแยกกันอยู่ไปเรื่อยๆนะจะได้ชินชาถึงเวลาแยกกันจริงๆมันจะได้ไม่นึกเสียเศร้าโศกเสียใจ เดี๋ยวนี้ดีขึ้นมะอาจารย์เรื่องมพัดพลาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะติดเรื่องพัดพลานะพ่อาจารย์ตอนนี้ยดีขึ้นเลยเพราะรู้ว่าอย่างไงต้องพัดพลาแน่ๆต้องทุกวันที่พระอาจารย์บอกต้องทั้งหมดทุกวันโอเคดีไปที่โกเบญี่ปุ่นสี่ทุ่มนะสี่ทุมแบบนี้พ่ออาจารย์ค่ะอ่าว่าย่งไรคราวที่แล้วที่ที่หนูบอกพ่ออาจารย์ว่าหนูเจอปัญหาคือเอ่า คนวิกฝุ่นปฏิบัติแบบดับเบิลสแตนดาร์ดกับหนูตอนนี้ที่ทํางานนะคะ uh huh. ตอนแรกหนูก็แบบว่าเออพระอาจารย์มันอาทิตย์ที่ผ่านมาเล่าเรียบมากไม่มีคําตอบให้พระอาจารย์เลยเพราะาพระอาจารย์บอกให้มาเล่าพระอาจารย์ถอนว่าให้ให้คิดกับให้คิดว่าเขาอะ่ะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่มีเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วหนูก็คิดอย่างนี้นะคะ uh huh. เมื่อวานนะคะพอดีเลยเจอเหตุการณ์ uh huh. คือ ปกติงานของหนูเนี่ยก็คือจะจะจะส่งลูกค้าไปไปใช้เครื่องเครื่องเครื่องไอเครื่องจ่ายเงินนะคะแล้วปรากฏว่าเมื่อวานน่หนูส่งลูกค้าไปสองเครื่องแล้วแล้วเครื่องด้านหลังมันว่างแล้วป้าคนที่อ่ชอบมักจะหาเรื่องมาตาหนิหนูตลอดเลยเป็นพนัก ง, งานเหมือนกันเนี่ยค่ะเขาก็แบบไปบอกลองหัวหน้าลองหัวหน้าว่าห้ามไปบอกคนนี้สิว่าห้ามใช้เครื่องด้านหลังนะ อะไรอย่างนี้ค่ะหัวหน้าเขาก็มาบอกหนูว่าเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเครื่องด้านหลังไม่ห้ามใช้แล้วปรากฏว่าหนูก็ไปเห็นนะคะทํางานไปเรื่อยๆก็ก็ไม่มีอะไรก็ขอโทษครับขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็บอกได้นะคะที่ทําไปตอนเมื่อกี้ก็คือขอโทษอะไรอย่างเงี้ยก็บอกรองหัวหน้าไปปรากฏว่าหนูก็เห็นเฮ้ยนั่นอ่ะคนญี่ปุ่นอีกคนนึงเขาก็ใช้เครื่องด้านหลังหนูก็เลยเรียกลองหัวหน้ามาถามว่าทําไมคนญี่ปุ่นอีกคนเขาใช้เครื่องด้านหลังได้แล้วแบบ ทำไมไม่ไม่ไม่มีไม่ว่าอะไรเขาหัวหน้าเขาก็แบบอ้อมอ้อมแอมแอมตอบเป็นไปอีกอีกเรื่องหนึ่งเลยอะค่ะก็เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าหน้างานอะหนูหนูก็โฟกัสหนูมีสตินะคะหนูก็ทํางานได้ต่อบไปเรื่อยๆก็ขอโทษเค้ายิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะทํางานรับลูกค้าไปเรื่อยๆแต่พอกลับบ้านคะพระอาจารย์หนูสอบตกหนูกลับมาถึงห้องตัวเองน้ําตาหนูไหลไม่หยุดเลยค่ะ แล้วก็น้ำตาไหลไม่หยุดแล้วแล้วหนูก็บบวาอยากยาความอยากของเราอยากให้เขาทำให้เราสมัมผัสกันใช่ค่ะทำก็เลยน้อยใจเสียใจใช่ค่ะจนจนแบบหนูก็มีมีเหมือนมีสตินะคะว่าเฮ้ยอย่าอย่าร้องไห้สิอย่าร้องไห้สิร้ อ, อ, ง<ม>องไม่หยุดก็เลยพุดโทพุดโทสวดมนต์ก็เอาไม่อยู่จนหลับไปทางน้ำตาเข้าเย็นก็ไม่ได้กิน<ม>ตื่นเช้ามาค่ะก็แบบ ทำไมยังคิดเรื่องนี้อยู่ในใจก็คิดแต่แบบเราควรจะไปบอกให้เขาบอกหัวหน้าใหญ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าเออไม่ทําดีกว่าก็เขาเป็นของเขาอย่า ง, งานั้นไม่มีเราเขาก็เป็นแบบนั้นตามที่พระอาจารย์ต่อมานะคะแต่มันก็คิดไม่หยุดหนูไม่เคยเดินจงกรมเคยได้ยินว่าถ้าสมมติเดินจงกรมแล้วมันจะมีสติมากกว่านั่งสมาธิธรรมดาเมื่อเช้านะคะ่ะพอดีไม่มีงานหนูตื่นมา ออกเดินจากบ้านเดินสามชั่วโมงค่ะพระอาจารย์สิบสองกิโลเมตรได้ค่ะดีมากตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์ได้สติเยอะนะเดิน jogging ค่ะแต่ว่าทําใจได้แะทําใจได้ทำใจได้ค่ะรู้เลยว่าการปฏิบัติเพื่อให้มีอุเบกขามันยากมากเลยค่ะพระอาจารย์แต่ท่านด้แล้วมันมีความสุขมากมันได้อุเบกขามาได้มมีความสุขมากค่ะ ค่ะก็ตอนนี้หนูก็คิดว่าเออถ้าเดี๋ยววันวันวันศุกร์ที่จะไปทํางานต่อ <c oughs> ขอโทษนะคะ <c oughs> ที่จะไปทํางานต่อหนูก็คงทํางานไปเรื่อยๆปกติ ไ, <ป S 1> ไ ม, <า>ไม่ไม่ถ่อยว่างอะค่ะทําหน้าที่ของเราไปส่วนคนหนุ่มก็จะเป็นยังไงดีเชื่อว่าเรื่องของเขาไปค่ะข้ามเขาไปได้ค่ะยิ่งเมื่อกี้พระอาจารย์เทศศาสนาธรรมให้กับคุณดิษยาค่ะกินใจหนูมากหนูจะเอานั้นไปไปไปปรับปรุงแล้วก็ไปคิด ไปเรียนรู้ใช่ดีค่ะเราต้องอยู่เหนือโลกก็ทําให้ได้อยู่เนืออยู่เหนือสันเรินยินทายได้อย่าง <c oughs> <c oughs> ไปยิงปืนนายก็สันเซินยินทายค่ะโลกมันเป็นอย่างนี้นะโลกก็เป็นโลกของของความไม่เสมอภาคมี อ, มอคติโลกในี้ใจของคนในโลกนี้มีอคติสี่มีลักมีชัง่งมีกลัวมีหลง มันจึงทําให้เขาทําเรื่องราวต่างๆแบบไม่ไม่ไม่ไมถูกต้อง ไ, ไม่ไม่ยุติธรรมนี่ก็เป็นธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้ <c oughs> ถ้าเราไปเรียกร้องความยุติธรรมจากโลคที่ไม่มีความยุติธรรมเรกาก็จะเสียใจถ้า <นะ S 2> เราปล่อยวางดีกว่าเราจะสบายใจการเดินจงกรมนี้ช่วยช่วยทําให้สติมันยายามเดินันดี เดินได้เด so ินไดทุกวันยิ่งดีเลยต่อไปเวลาไปทํางานไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนั่งรถเดินไปดีกว่าไปเดินตรงกรมไปค่ะหนูก็เพิ่งลองเดินวันนี้ยค่ะเท้าซ้ายเท้าซ้ายเท้าขวาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆครับพระอาจารย์มันช่วยได้มากเลยครับพระอาจารย์แล้วร่างกายจะแข็งแรงด้วยมีกําลังทันนี้ได้ออกกําลังไปหนึ่งตัวด้วยค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ที่สั่งสอนนะคะจ้าสาธุจ้า ะะมีอะไรก็มาเล่ามาที่หน้าต่อนะคะขอบคุ ณ, ค, ณค่ะมีอีพีที่ส <laughs> องนี่อีพีหนึ่งพวครัอาจารย์จะพยายามศึกษาแล้วก็ปล่อยวางให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะอาจารย์มาเล่าดว่าจะไปแปลอะไรข้ามหน้าป่อยวาง้าเปล่าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีที่น้องอ้อมน้องออมบอวินชิน ค่ะน้ำมัศการค่ะไม่มีคําถามค่ะไม่ไง่าไม่มีเหตุการณ์เลยอ๋อไม่มีเหตุการณ์ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าพอตาดีขึ้นแล้วมันใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะพระอาจารย์มันพอเรารู้ว่าสิ่งในโลกนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญน ะ, ะ เ, รเราเราแค่ทาตามหน้าที่ตามบทบาทของเราไปคือเหมือนตอนเนี้ยใช้ชีวิตกับ ทุกอย่างในโลกคือมันง่ายขึ้นห้าสิเปอร์ซ็นเลยเราไม่ต้องเครียดซีเรียดอะไรเยอะเลยเพราะว่าเราดูสําคัญคือใจเราเท่านั้นใจเราไม่ให้เครียดก็พอแล้วแต่ว่าตอนตีแรกที่มารู้จักพระอาจารย์ยังแบบล้มลุกคุกคานอยู่ยังแบบยังแบบยังยังยังไม่ได้แบบตอนนี้ก็ยังพอเดินได้แล้วอะค่ะก็แต่ว่ายังไม่ได้เก่งนะคะอเพยายามทําไปเรื่อยๆนะต่อไปทําให้เก่ง ออกไปไม่สะดุดไปอะไรเกิดขึ้นนี่เฉยได้ตลอดค่ะมันคือเรื่องเครียดเรื่องอะไรมันลดลงไปเยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้มองมันเป็นจุดสําคัญนะครับไม่มีอะไรสําคัญในเรื่องนี้อยากในเรื่องนี้มันเป็นเหมือนฟองน้ําหนองน้ำนี่เม่อกลางวันมันก็ดับไปใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวก็ฝึกต่อไปค่ะได้ไปขึ้นเขาแล้วยัง ไปมาแล้วค่ะใช่ค่ะเดี๋ยว่าโอกาสไปใหม่ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะไปที่เท็กซัสตอนคุณสภาทตาใกล้เดลัสฟอร์ตเวิร์กล่าวนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกขอร่วงฟังเจ้าค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคไม่งั้ก็ไปต่อเลยนะคุณสภัทนาอยู่บอวินเหมือนกันสภัทนา กล่าวมาสักการพระอาจารย์ค่ะวันนี้วันนี้ตัวถึอว่าใจบรรจัยบรรเบามากขึ้นครับพระอาจารย์เพราะว่าเ อ, อถ้าถ้าพูดกันอย่างที่พระอาจารย์สอนก็คือจเจริญสติเจค่ะพระอาจารย์ <S <S 2> <S 2> ในขณะที่ทํางานมันจะเห็นมันจะเห็นมาแวบนึงเจค่ะพระอาจารย์ว่าพอเราทําด้วยความไม่อยากมันจะไม่เกิดเออ่ความโลภความโกรธซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ที่เคย เคยกาบเรียนพระอาจารย์ว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราคาดหวังพอคาดหวังแล้วมันจะมีความโลภอยากได้อยากให้เป็นแต่พอพอมามาหน้าตอนเนี้ยพอพอมันไม่มีความอยากว่าเราเราอยากจะได้มากได้น้อยเนี่ยคือเราเอาตามงานมันจะทําด้วยด้วยที่ว่าไม่มีความความโลภเข้ามาเกิดความสบายใจโยะคะพระอาจารย์ใช่ไม่เครียดมันไม่เครียดโยคะพอทําพอทํางานเสร็จ ก็ก็รับตามตามงานที่ทำเจ้าค่ะอาจารย์ก็ตอนนี้ก็เพียรสติทั้งทั้งเรื่องกายแล้วก็เรื่องเรื่องใจมันจะเห็นด้วยว่าเวลาคิดมันจะเห็นเลยค่ะว่าออกไปคิดแล้วอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์มันจะเร็วขึ้นเจา้าค่ะเออเริ่มมีสติมากขึ้นแล้วเริ่มรู้ทันความคิดนะเจ้าค่ะ พอพอเราไปคิดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันคิดแล้วก็<ๆ>ก็กลับกลับเข้ามาที่เดิมแเวลานั่งสมาธิก็นั่งได้นานนะคะอาจารย์ได้ได้เกือบชอะะั่วโมงแล้วจ้ะอาจารย์จากจากที่ยี่สิบนาทีสาสิบนาทีโอเคดีมากค่ะอต่ อ, ตอไปต่อไป <c oughs> ไปที่แนนจากมุดรคุงแดนจากมุดรนทานี้กลาวลวัชกาค่ะค่ะอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะ โอเคอย่าไปที่เชียร์ น, นี่คุณหน่อยให้ไปหลายอาทิตย์ยัง ไ, ไม่ได้เข้ามาเข้ามาไม่ทันเข้ามาจะไม่ทันเจ้าค่ะอย่างนี้ก็มีโคอตา้าถ้าไม่ได้เข้ามาก่อนก็อาจจ ะ, ไ ม, ะไม่ได้เข้าวันนี้ก็เลยเข้าตั้งแต่สองทุ่มเลยเจ้าค่ะ อ, อ <laughs> <c oughs> ค่ะ อ, อ่จะถามผู้อาจารย์ว่ากิเลสตามเข้าไปเข้า ไปในฝันเราได้ไ้ยเจ้าค่ะได้มันอยู่ในใจเรากิเลสเป็นตัวผลิตการฝันให้เราได้ใช่ไหมครับว่าในฝันเห็นสิ่งที่หน่อยไม่อยากเห็นนะเจ้าค่ะอ่าแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างที่พระอาจารย์บอกเจ้าค่ะตอนแรกก็เหมือนเหมือนให้เห็นความทุกข์นะเจ้าค่ะนอนพื้นจากที่เรานอนพื้นอ่าวันแรกนอนหลับวันต่อไปนอนไม่หลับนั่งสมาธิ แต่พอวันถัดมาที่เราถือสินห้าปกตินอนอนเตียงหลับดีดีเจ้าค่ะจากที่คนเป็นคนที่แบบเบื่ออาหารพอแบบอดข้าวอะไรก็อร่อยเจ้าค่ะใอเข้าปาก็อร่อยเข้าปากคุกกี้บารก็อร่อยเจ้าค่ะแล้วก็จากเห็นทุก์ในชีวิตใช่ไหมเจ้าค่ะเหมือนที่พี่สามอาทิตย์ที่แล้วเหมือนเคยพูดจําไม่ได้ว่าพี่คนไหนบอกว่าเห็นทุก์ของชีวิต แต่กับการเป็นว่าพอเรามาปฏิบัติทำชีวิตมันสงบสุขเจ้าค่ะก็เลยถ้าเราวังจากชีวิตมากเกินไปเรามาปฏิบัติแล้วเราก็าไม่หวังอะไรมามีตามเกิดเจ้าค่ะตอนนี้ก็ยังผ่านด่านที่แบบมันเด้งออกไม่ได้เลยเจ้าค่ะที่พอลงดิ่งเข้าไปเหมือนไม่รู้ว่าสุดหรื อ, อยังเจ้าค่ะแต่มันก็เด้งออกอีกแล้วเจ้าค่ะแต่ว่ามีสติเจ้าค่ะ ไม่เวลาก็ทําต่อไปมันได้งงออกมาแล้วก็เอาเอาไปเข้าไปใหม่สติเรายังมีกํำลังไม่มากพอที่จะแช่อยู่ได้ก็ทําต่อไปต้อ ง, จงเจริญสติให้มากม<ต>ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ช่วงก่อนมา น, น, นั่งเนี่ยเอาตั้งแต่เลื่อตาขึ้นมาไปขึ้นมากล้พุโทโธคุมมุมความคิดอะไรอย่าให้มันคิดช่ค่ะถ้าอาจารย์เจ้าค่ะทนเวทนาไม่ได้เลยเจ้าค่ะตอนนี้ถ้าากเขาไม่มีสติไถ้ามีสติเวลามีเวทนาเราก็พุทธโทพุทโทรพุทธโ ท, โ ท, โทไป เดี่ยก็อยู่กรบมันได้ต้องใช้พุทโธนำเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่พุทโธเลยทำพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับเวทนาอย่าไปรับรู้มันอย่าไปสนใจนะเจ้าคะก็ต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆใช่่ะถ้าอย่างนั้นไม่เวลานะเพิ่งเริ่มต้นนะในเวลายเยอะนะอย่าไปหวังอะไรเกิน เกินเห็นอย่าไม่วางอะไรที่มันเกินกำลังของเราตอนนี้ทอาไปทางกำลังของเราไปจะพยายามทำให้มากที่สุดพยายามปิปิสติให้มากทั้งวันั้งคืนนะยืนยืนนั่งนอยในสี่ียาบบมด้ชค่ะก็มีมีเผลอมากนะคะที่นั่งสมาธิตอนนั่งสมาธิทุกวันแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าก็ เหมือนกิเลสมาหลอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเจ้าค่ะบอกว่าไม่ต้องเจริญสติหรอกแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันอยู่แล้วอะไรเนี้ยออแน่นอนกิเลสมันไม่อยอม เ, เจริญสติโหมาเรื่อยเลยเจ้าค่ะแต่ก็เลยก็เลยแบบไม่พระอาจารย์บอกว่าพระวจ้าบอกสติเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกกรณีทุกการขึ้นไหเพราะเนี่ยล่าสุดก็ไปถอยรถชนมาไม่มีสติ หายแล้แลแลไมอย่าไปเชื่อกิเลสเราพยายามฝึกสติให้มากฝึกใจอย่างน้อยยังไม่พอเจ้าค่ะวันนี้มีคําถามแค่เนี่เจ้าค่ะพระอาจารย์โอเสาธุเจ้าไปที่าาาท อ, อเมริกาดาราทิวาตเจ้าค่ะสามนรมาตการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้มาร่วมฟังธรรมนะคะไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะไปที่อเมริกา คุณแคสซัสคุณที่แคสสสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะเช่นเดิมค่ะเดวิดฝากความคิดถึงเหมือนเดิมแล้วก็บอลซองเทศท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์เดวิดวนี่ขยันทำงานแนละ้วไ ม, ไม่ไม่เคยทลนะิทลายนะครับตามหน้าที่ค่ะท่านอาจารย์<ม>แล้วก็เอาคําสอนสอนของท่านอาจารย์มาใช้ส่วนนี้ค่ะก็ ดีค่ะก็เหมือนกัรยานิมิตทุกๆ ท, ท่านที่พูดมาค่ะทำให้ชีวิตมันสบายขึ้นนะค ะ, อ, ะอย่างเมื่อคราวก่อนคือเมื่อเมื่อสองวันก่อนนะคะถ้าอาจารย์ทางรัฐบาลอินเดียค่ะที่เคยไปอยู่อ่ะค่ะเขาแจ้งมาบอกเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเรามีปัญหาคือเราไม่ได้เสียภาษีแลแ้วตอนนี้คนทางคอนแทคเตอร์ของมิชลินนะคะเขาก็มาหาเดวิดทั้งหมดสี่คนนะคะมามาม า, ม า, มาสอบ ม า, มาสอบสอบสอบกันมาหามาหากันแล้วเดวิดบอกว่าก่อนจะไปค่ะเขาก็มีความเขามีความรู้สึกเหมือนหนูว่าเขาต้องใจเสียเหมือนกันนิดนิด่เอ๊ะมันตั้งนานแล้วตั้งสองพันสิบแปดหนูก็ เ, <c oughs> เขาว่าไงคะหนูก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์บอกว่า hope for the best expect for the worst <c oughs> หนูก็พูดกับเขานี้ค่ะก่อนไป <c oughs> แล้วหนูก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดี เพราะเราก็ตามระบบเราทําอะไรเราก็ตามหน้าที่ได้เรื่อยๆอยู่ก็ไปเกิดดอผิด<ป>พลาดขึ้นมาก็ชี้แจงกันไปค่ะแล้วก็ทุกอย่างเขาก็เขาก็เขาเขาเขา ก, าก็ผ่านหนูก็เลยบอกว่าก็คิดถึงบุญละกันแล้วพอเสร็จแล้วเขากลับมาเขาก็บอกว่าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะท่านอาจารย์ก็คื อ, อทางทางทางทางฝ่ายภาษีที่ที่บริษัทมิชลินเขาจัดการค่ะ เขาทําบิดพาดเองคือเขาไม่ได้จ่ายภาษีทางนู้นแต่แต่มิชลินเขาจ่ายให้แล้วแล้วเราเราก็จ่ายให้เรียบร้อยแล้วแต่เขาดันจ่ายเป็นปเมันมันต้องจ่ายปีสองพันสแปดแต่เขาดันไปจ่ายปีผิดอืตอนนี้เขาก็เดี๋ยวเขาก็จัดการของ เ, เองหนูก็แค่การแท่านี้าจารานารหนูขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณการในคำศัพท์สอนของท่านอาจารย์ค่ะอ่าท่านอาจารย์ขอบควาพิเศษให้เดวิดด้วยนะอ่าท่านอาจารย์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแค่ท่านอาจารย์ ใช่คนนันนันดาันใช่มนันดาพัฒน์มาอยู่ที่ไหนเนนันดาพัฒกราบนรมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยู่กรุงเทพค่ะเพิ่งติดตาม y o u t u ู e ของพระอาจารย์มาได้ประมาณสองเดือนเศษแล้วอะค่ะก็เลยเ อ, อ, อยากจะเข้ามากราบพระอาจารย์ที่นี่อะค่ะมีอะไรไหมนีม คืออยากจะเรียนถามเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะคือหนอูตอนเด็กๆอะคะ่ะคื อ, คอเคยได้มีโอกาสพบกับท่านอาจารย์สายวัดป่าเนะะี่ยค่ะทีนี้ท่านก็สอนให้ทำพุทโธแต่ทีนี้เนี่ยตอนนั้น อ, อ, าอาจจะเด็กเกินไปแล้วก็ไม่เข้าใจในรายละเอียดอะไรเงะะี้ยค่ะเพราะว่าไปเจอแค่ครั้งสองครั้งอะไรงะะเงี้ยค่ะแต่มันก็อยู่ในใจหนูนะคะเหมือนกับว่า พอมีอะไรตื่นเต้นหรือ อ, อุบัติเหอะไรเงี้ยค่ะเราจะนึกถึงคำพูดโทรขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยแต่ทีนี้พอมีโอกาสโตขึ้นเนี่ยก็ได้ปฏิบัติได้ไปเรียนวิปัสนาทางสายายุบหนอพองหนอคะ่ะทีนี้ก็เลยจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่ า, ามันจะต่างกันไหมคะ เหมือนกับว่าเราเราจะปฏิบัติได้ไหมคะเหมือนกับว่าทางถ้าเรายังจะเออ่ทําแบบยุบหนอพองหนอเอาอยู่อะค่ะก็แล้วแต่เรามันเหมือนกันอะมันเป็นการฝึกทําสมาธิยังได้อย่างหึงก็ได้จะใช้พุทโธก็ได้จะใช้ดูยุบหนอพองหนอก็ได้ตามใจค่ะผลเงื่อนด้านเหมือนกั น, น, กนจิตจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิเหมือนกันแล้วเอ่อเราจะใช้ทั้งสองทางเลยได้ไหมคะ มันก็ ท, ทําทีเดียพร้อมกันไปได้นะเวลาทําพุโทโธก็ลอพุโทโธไปคนละเหตุการณ์ก็ลองดูสิลองดูว่าอันไหนดีกว่ากันไห oh. นได้ผลดีกว่ากันเหมือนรถสองคันนะเราขับรถ <c oughs> สองคันดูอันไหนมันมันดีกว่าก็เราก็ขับคันนั้นไป น, นั่นแต่จลิตของคนเขางเราด้วยบางทีจลิตเราก็ถูกกับยกน้องพองน้อแล้วก็ไปเราก็ใช้ยกนองพองน้อไปถ้าถูกกับพุโทโธเราก็ใช้พุโทโธไป ได้ค่ะขอบพระคุณค่ ะ, ะเดี๋ยวจะจะจ ะ, จ ะ, จะัดลองฝึก<ะ>ดูค่ะต้องทดลองในการปฏิบัติธารมพี่ต้องทดลองดูนะนค่ะขอบพระคุณค่ะไปที่คุณมานีจ่ามานีอยู่พุทธาการกทมอ้อฝนเยอะวันที้พีเอมสองหยุดห้ามเลยมืนฟ้าหมอฝนเลย วันนี้ก็ไม่มีคําถามค่ะหลวงพ่อไม่มีอยู่แล้วมานี้ไม่มีคําถามอยแล้วมีแต่คตําตอบแต่วั น, นวันนี้แบบรู้สึกแบบดีมากเลยค่ะหลวงพ่อเป็นแต่ไวเข้าวัดปล่อยวางปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดอะไรแล้วก็นั่งนั่งปฏิบัติแบบต่อเนื่องอย่างเนี้ยค่ะชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงแบบ ยังแบบโอ้โหแบบดีจังเลยอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็พอออกมาก็มองมองอะไรหลายๆอย่างแบบเหมือนมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อรู้สึกวมันเป็นอะไรเป็นใจนักมันเป็นความว่างแต่เราเป็นเปิสมมุติว่ามันเป็นม่นเป็นแน่ค่ะหลวงพ่อก็เลยรู้สึกว่าเอรู้สึกสบายใจไม่มีสาเหตุค่ะหลวงพ่อสบายใจใจไม่้อุเบกขา ถ้มีอุบัติการ์ก็จะมองว่าทุกอย่างว่ามันทุกอย่างไม่มีอะไปให้ควาสมสำคาญกับมันเองค่ะในในชีวิตประจำวันจริงๆมันก็จะมีเรื่องราวอะไรแต่แต่พอมาภาวนาแล้วมันทําให้ใจเรามองว่ามันไม่มีอะไรอะค่ะหลวงพ่อแต่ว่าในในชีวิตประจำวันในที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีเรื่องมีอะไรเงี้ยแต่แต่ใจเราเป็นเป็นเป็นโรงละครนะเองแล้วก็เล่นไปตามบททั้งหมด ใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อก็ออเลยรู้สึกจริงๆเราไม่ควรจะไปถืออะไรที่มันมันหนักเลย ว, ว่าถือของร้อนหรืออะไรเนี้ยค่ะพอเราปล่อยวางไปมันรู้สึกสบายเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อหนูก็เลยแบบวันนี้รู้สึกดีจังเลยแล้วก็นั่งปฏิบัติได้ต่อเนื่องชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงหนูหนูรู้สึก อจะบอกว่าดีใจมากก็ไม่เชิงต้องแบบ่างๆนะคะหลวงพ่อเบตาแต่รู้สึกว่าดีดีค่ะหลวงพ่อแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าหนูจะไปขึ้นเขาค่ะโอเคดีต้องเปสาค่ะค่ะดีมากทำไปเรื่อยๆ้าทินี้ทุกวันนะครัใบใช่ใจเบาใจเย็นสบายคค่ะหลวงพ่อแล้วก็ ค่ะแล้วก็ตอนเช้ามีเวลาหนูก็จะขึ้นห้องพักที่บริษัทหรือว่าถ้าวันหยุอยู่บ้านหนูก็เข้าที่บ้านอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงระหว่างวันก็เหมือนทรงเรียกอะไรสมาธิให้ให้ให้เราอยู่กับตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทํางานก็ทําไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็พยายามฝึกเดี๋ยวเดี๋ยวจบจากที่เข้าสูงตอนคืนเนี้ยหนูก็ไปปฏิบัติสองอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเพียงเข้ามาหน่อย ข้าวแล้วใจจะมีกำลังปล่อยวางนะครัหลวงพ่อมันมันเห็นความความเปลี่ยนแปลงเห็นความแตกต่างมันรู้สึกมันดีขึ้นมันเบาขึ้นมันรู้สึกสบายใจขึ้นค่ะหลวงพ่อมีบ้างทำต่อไปนะค่ะ ไ, ไม่มีอะไรแล้วคุณอคอ่อค่ะไม่ได้ยนไม่คุยไม่ไร ถ้าจะไม่มาเดี๋ยวไปที่คุณกาลยาก่อนนะคุณกาลยาก่อนเชิญ ค, คุณกาลยาก่อนไปพูดได้เลยสวัสดีค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสเมื่อะไร่ทาไงเอ่อแถว s t a r ์สบุกค่ะค่ะ ไม่ม e like like oh. okay. ีคำถามเคยเข้ามาเคยเข้ามาเคยเคยไปกราบพระอาจารย์จากคุณแม่ที่ที่วัดค่ะอันนี้ไม่มีอะไรมาฟังเฉยๆนะค่ะพอดีวันนี้เวลาไม่ได้ทำงานเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกเลยรีบเข้ามาฟังพระอาจารย์คุยธรรมะกับเพื่อนๆค่ะโอเคสาธุค่ะอันนี้ที่คุณนิสาต่อเลยนิสาอยู่ลอสแนเจลิเอาเอ กั บ, บ น, นมรักการพระอาจารย์ค่ะก็พระอาจารย์สบายดีนะคะถ้าไม่สบายคงยังไม่ได้มาเพราะว่าว่รูปดูพระอาจารย์ที่บินทบาทล่าสุดอะคะ่ะวันมาคะ่ะโอโ ห, โหคนเยอะมากเลยคะ่ะพระอาจารย์หนึ่งพันแปดสิบ โอ้โห oh, อันนี้ยอดแฮตทริกป่ะคะอันนี้สูงสุดปะ่ะคะพระอาจารย์ไม <buena invention> ่สูงสุดพ <procure S 2> ันสองอ๋อแล้วคะรู้สึกว่าคนเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ไม่มีคําถามอะไรละค่ะพระอาจารย์เอลูกก็ไปปฏิบัติเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอย่างที่เคยบอกเรียนพระอาจารย์ว่าช่วงนี้ลูกออกไปพบลกข้างนอกค่ะมันก็จะมีแบบ ทดสอบทดสอบบ้างก็ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็คือค่ะพระอาจารย์ก็เรียนไปอันนี้ไม่ผ่านก็มาแก้ไขดัไดไปค่ะแต่ว่ามันจะมีสิ่งกระทบกลับกั บ, ก ล, บลูกคือเวลาลูกจะกลับมาปฏิบัติอะค่ะมันจะมีสัญญาติดอยู่แล้วทาให้คือปกติลูกจะนั่งสมาธิวันละหึงชั่วโมงเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นอนะค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับ มันทําให้เกิดแบบข้ามเวทนาไม่ได้มันเหมือนมันมีสัญญาติดอยู่ลูกที่ว่าสงสัยการที่ลูกออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราไม่มีสติเรากําลังน้อยลงใช่ไหมคะพระใช่ถูกต้องเราไปรับเรื่องมากคิดปรุงแต่งมากขึ้นค่ะทั้งทั้งที่บางเรื่องลูกที่ว่าลูกก็วางเฉยได้อ่ะค่ะเช่นอย่างลูกไปข้างนอกลูกกับเจอ คนพูดหรืออะไรเงี้ยลูกก็เฉยแล้วก็อย่างปกติลูกจะเป็นคนชอบแบบคือซื้อของอะไรช้อปปิ้งอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่เอาอะไรเลยค่ะพระอาจารย์ก็เฉยแต่ว่ามันเหมือนมันอาจจะเข้ามากระทบเวลาเรานั่งสมาธิได้ใช่ไหมคะ่ะใช่ก็ต้องต้องใช้เวลาหน่อยต้องใช้เวลาให้มันสงบตัว คือปกติลูกจะนั่งสามารถนั่งยาวๆได้หนึ่งชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ลูกก็เลยนั่งได้ประมาณครึ่งชั่วโมงลูกต้องลุกขึ้นมาเดินจงครมนะคะจะให้เดินจงกรมอากาศมานั้นหรือลูกที่ลูกที่ว่าเวลาลูกออกไปข้างนอกของใส่ลูกไม่ได้แบบไม่เป็นขาดใช่ไหมค่ะอาจารย์คือมันคิดไปเรื่อยเค่ะบางทีมันเราต้องไปเจอผู้คนนะคะมันต้องไปคุยต้องไปคือบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปแต่บางทีมัน มันมันไม่บางครั้งมันก็ต้องไปด้วยเหตุบังคับบางอย่างค่ะอาจารย์ก็เป็นชีวิตของคาราว่าก็ต้องอย่างนี้แหละค่ะแต่เมื่อกี้ที่ค่ะเมื่อกี้ที่ลูกฝั่งมันก็ช่วยลูกได้ให้ลูกคิดว่าเออมันเป็นหน้าที่ของเรามันเป็นละครบทหนึ่งที่เราจะต้องทํามันไปค่ะอาจารย์ก็ทําเหมือนคุณชุ๊บเขาเดินไปทํางานสามชั่วโก็เดินจะโคลไปใช่ค่ะเออมันช่วยได้เยอะเลยค่ะอาจารย์ S <S ลวอวออไปข้างนอกอย่าไปขับรถเดินไปไม่ได้ค่ับพี่ชามันไกลครับพา่ชาแล้วก็มันมีกิเลสเข้ามาแบบลูกก็สู้กับกิเลสค่ะก็คิดว่าผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างค่ะแต่ว่ามันจะไม่ผ่านตรงที่ว่ามันจะทำให้ลูกเวลากลับมานั่งสมาธิมันมันจะทำให้ไม่ไม่สงบ ง่ายเหมือนแต่ก่อนนะคะนี่ก็อย่าไปหรือวอจะทํ า, า, อ, อ, าทอะไรก็รอรอร อ, รอเก็บเอาไว้ไปทำทีบบพยายามค่ะพยายามจ ะ, ไ, มปจะไ ป, ปะ้ไปรอจะได้ไปรอบน้อยหน่อยค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็จะน้อมนําปฏิบัติค่ะาพระอาจารย์ะจะพยายามต่อสู้กับกิเลสค่ะแล้วก็คงต้องฝึกตติให้มากขึ้นเวลาออกไปอ่ะค่ะจะพยายามออกไปน้อยที่สุดค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะ กับนมัสการค่ะ ข, ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะถ้าไม่มีคําสอนพระอาจารย์นี่ลูกว่าลูกหลงไปเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ลูกคงจะต้องแบบไปเปิดร้านอีกร้านนึงนะคะอ <laughs> พอมีคนชวนลูกไปไปทําร้านอาหารอีกแล้วลูกบอกลูกไม่ทําแล้วคือถ้าทําเนี่ยลูกไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติได้แล้วลูกคิดว่ามันกลับไปวงจรเหมือนเดิมนะคะพระอาจารย์ก็มีเขาพูดว่าคนโกหหาสตางคคนฉลาดหาสติค่ะพระอาจารย์ ค่ะอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะขอบสาธุบางคนเขาก็ว่าลูกโง่ค่ะแต่ว่ารู้ว่ารู้ฉลาดจะรู้ไม่เคยรู้ไม่เคยไปต่อไปไม่เคยไปแบเหมือนกับเขาไม่รู้เรื่องพูดกับใช่ค่ะเขาก็จะบอกว่าทําไมอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันเรื่องมันเยอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเราก็คิดว่าเออเราก็เราก็ดูเขาดูโลกมันไปอะไรอย่างเงี้ยเออเราทุกคนแค่เป็น ค่ะเป็นตัวละครตัวหนึง่งกลับมาบ้านเราก็มาอยู่ในโลกของเราดีกว่าอย่างเงี้ยอาจารย์นี่อาชา่้งไ้วนี่ไอ่มีอาการหนาวถึงปกติธรรมด า, นานโอ้โหนะพระอาจารย์หนาวมากเลยค่ะก็คุยมันเพื่อนมันที่ที่เล็กอลลเฮดที่บิ๊กแบร์ที่ซานเบิร์นนี่แย่มากเลยค่ะพระอาจารย์ลูกเกือบจะไปทำร้านอาหารที่นั่นแล้วค่ะไม่งั้นแย่เลย ก็ไม่มีก็เลยคิดทุกวันค่ะน้ำตาค่ะพระอาจารย์ที่ตรงเขาฮอลลีวูดค่ะพระอาจารย์มีหิมะเลยนะคะลุยเลยตกปลายนะใช่ค่ะหิมะลงแต่ว่าจางๆแต่ว่าไม่เคยเกิดเลยค่ะพระอาจารย์ปกติไม่ไม่ค่ะมันฝนตกที่ฝนจะมาอีกแล้วนะคะลูกก็แอลเอไม่เท่าไหร่แต่ลูกว่าทางโซนทางเขาอะไรกันนั้นนะคะอันตรายมากเพราะว่า เห็นบอกซอฟเวอร์มากคือไม่มีไฟไม่มีแบบติดกันเป็นอาทิตย์นะคะใช่ไหมใช่ไหมก็ภูเขาเลยคือไม่เชื่อเลยคือแบบลูกเห็นแล้วตกใจเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบเอเมือง阿ก斯加แบบโอ้โหมันไม่เคยเกิดเลยค่ะอาจารย์น่าจะแล้แย่แล้วเพราะเดือนนี้เดือนมาร์ชนี่มันมันไม่ควรจะเป็นอากาศแบบนี้ค่ะอาจารย์อะไรคลายแมช์เนี่ยใช่ค่ะนี่เขากลัวว่าน้ําจะท่วมอะค่ะอาจารย์ ใเดี๋ยวเมื่อหิมะอะไรใช่ค่ะค่ะก็อนัตตาค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะสาธสาธทุกค่ะพระอาจารย์สาสาธทุกค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงค่ะสาธทุไปอีกสิ้นหนึ่งของอเมริกาไปทางตอนออกบ้าในริแลนจึมจึ น้ำมันสการค่ะอาจารย์ของโยมก็ อ, อากาศก็แปลปรนแบบคนละแบบกับของของของญาติที่ทำคนเมื่อกี้ค่ะของโยมก็ดอกไม้บานแล้วค่ะดอกสากุล่าบานแล้วค่ะเพราะอาจารย์มันเร็วมากเลยค่ะปกติมันควรจะเป็นแบบกลางกลางกลางแบบอาทิตย์ที่สองของเอพิยุแล้วเนี้ยค่ะตอนนี้มันมันแบบมนบานไปหมดแล้วหนูโยมก็เลยว่าแบบสงสัย มนุษย์โลกทําทําผิดกับโลกไว้เยอะโลกคงเล่นงานกลับแล้วมังเงี้ยค่<ม>ก็ก็มองให้มันเป็นแบบา ต, ตายรัตใช่ค่ะก็แบบ อ, อ, อะไรจะเกิดก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ของเร า, าไปในอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างเมื่อวันเมื่อวานนี้ทนายเนียโยมก็ยังไม่จบเรื่องคดีความกับสา ม, มีเก่ายงก็ได้เออช่างมันเถอะทนายก็โทรมา บ, บอกจี้ยมยยูยูต้องไปวันศุกร์นี o ้ยมต้องไปขึ y ้นศาลนะยงก็อ้าเหรอ ลืมไม่อ่ะอยเอาขำทนายว่าออยู่มีเยอะใช่ไหมยูเลยจําไม่ได้หบอกเออใช่โยเออไอจําไม่ได้แล้วแล้วมันก็เลยไม่ไม่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะรู้สึกว่าแบบเออเราทุกข์จังเลยอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เราคาดคะเนไม่ได้ใช่ไหมคะมพอวันนี้มันก็เลยแบบมันวางมันเบามันแบบเออช่างมันเถอะก็เหมือนพระอาจารย์บอกมันคือโลกใบหนึ่งมันคือละครฉากหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะโยมก็จะมีก็มีจะไม่มีก็ไม่มีถ้าไม่มีก็เริ่มใหม่ ถ้ามีก็ก็ก็ส่งตัวไว้ถ้าไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรเรายังมีลมหายใจแล้วก็เริ่มใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันแบบแล้ววันก่อนฟังพระอาจารย์พูดเรื่องบัวปีมน้ําบัวกลางน้ําบัวแบบเหนือน้ําอะไรเงี้ยโยมก็ว่านั่งหมอเอตอนแรกเราก็ว่าเราปีมปีมน้ํานะแต่ตอนนี้เอทำไมเราจะลงมาอยู่กลางน้ําแล้วอย่าไปอยู่ตอนเยืเยอะย่าไปอยู่คลอนกับตมัแล้วกันนะ ยอเอเอเอออคนตมยูอย่างเพิ่งอย่าเพิ่งขึ้นมาสูงมากนะเดี๋ยวไอสูงไม่ทันขอยืดขอเป็นบัวที่ยืดยืดขึ้นมาหน่อยละกันนะอะไรเงี้ยก็แบบ ก, ก็ฟังได้ก็ได้ความรู้ได้สติปัญญาค่ะก็ขอ บ, ขอบคุณพระอาจารย์นะคะวันนี้ยมมีคำถามค่ะเวลาที่ตอนคนเราบอกว่าอย่างพระอาจารย์โว้ยผ ข, ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยมเคยได้ยินคนคนหนึ่งบอกว่า มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนเราถ้าจะเอาดีทางธรรมก็ต้องไม่เอาดีทางโลกยงก็เลยเอ้าแล้วอย่างนี้เจริญทางโลกทางธรรมยมก็เลยว่าเออมันทําได้สิพระอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงคะก็ยแล้วแต่ระดับของการปฏิบัติของเราถ้าระดับต้นๆนี่เราก็ยังเจริญทางธรรมทางโลกควบคู่ไปได้แต่พอเราถึงขั้นที่ต้องไปทางธรรมนุนๆเราก็ไปถ้าเราต้องแยกค่ะ ถ้าถ้าทำไปบวชนี้นะน้องทิ้งทางโลกไปแต่ถ้ายังอยู่ในถ้ายังอยู่ในทางโลกอยู่แล้วก็ทํำทาบุญทําทานไปรักษาศีลห้าไปมัก็จะเรื่องในระดับคนที่ได้ใช่ค่ะโยมก็โยมก็คิดว่าเออมันเป็นได้นะถ้าเรายังเป็นคารวาสแบบเหมือนตัวเราโยมเองอย่างเงี้ยมันยังบวชไม่ได้เราก็เอาถือศีลห้าทำทานทําอะไรนั่งสมาธิแต่ถ้ามีถึงจุดจุดหนึ่งก็พยายามอธิษฐานว่าถ้าแบบ ถึงจุดสุดยอดแล้วก็ถ้าเกิดชาติห้ายังได้เกิดก็ <c oughs> คงคิดว่าคงเกิดอยู่อะอย่างเป็นบัวปิมน้ําบัวกลางน้ำอยู่ยังว่ายองคงจะก็ไอเขาเอออยากเป็นผู้ชายจังเลยอยากบวชเลยนยคะ่ะก็เลยบอกผู้หญิงก็ปวดได้มีน้ำปวดได้นะคะแต่ว่าปวดชีใช่ไหมคะแต่บางทียมว่าผบผู้หญิงมันร่างกายมันแบบ คือไม่ได้ไมไ่ว่าตัวเองนะคะแต่แบบบางที่แบบมีเรื่องทุกเดือนของเราเนี่ยมันแบบ<ช>เป็นอะไรนนที่แบบมันลาบากสําหรับผู้หญิงที่จะมา ใ, ใช่ค่ะ<ม>ใช่ค่ะแล้วมันแบบโอ้แล้วชุดข่าวอีกตั้งหากแล้วโยมเป็นประเภทแบบซุ่มซามด้วยอย่างงี้ว่าก็เป็นค <c oughs> าวราวาสไปก่อนกัแล้วกันถือเป็นอบาสิกาไปก่อ น, นกั น, แ ล, นแล้ ว, ว, วกั น, กนใช่ค่ะก็เลยบอกว่าเออถ้าแบบถ้าได้ถ้าแบบเป็นบุญถ้ายังมีบุญถ้ามาก็แบบถ้าได้ไป็นบุตายก็คงดีเนาะอะไรอย่างนี้ ไม่แน่ครับอุบาสิกาเขามาดูทําได้ไม่ได้อยู่ที่ต้องเป็นภาพเป็นชีคนเดียวใช่เอาห่ะอันนี้ก็รปฏิบาก็อย่าไปคิดอย่าไปหวังใช่ไหยคะแล้วปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ได้ก็แล้วกันค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็จะไปแหวบปัปฏิบัติไปเรื่อยๆคระอาจารย์บางทีมันมีบ้างที่แบบ พยายามกินน้อยลงแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าที่แบบไม่รู้ว่าเราร่างกายมันเป็นอะไรด้วยหรือเปล่าไทายลอยด้วยหรือเปล่ามันก็เลยแบบนั่งไปเตะปุ๊เออกนกินน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นรเราคิดมากไปเองกล่าวหายของเราเป็นแล้วกินมากมีมท่องจำไม่คิดกินมากแล้วขายมันเนี่เอาหวานแยกจำไม่คิดแบบเอาไปกินน้อยมันกังวนลื่องไทา ย, ยลงทาย้อยขึ้นมาแล้ว ดูไม่ยมเป็นอยู่แล้วเจ้าค่ะยลเป็นอยู่แล้วหลวงู่หลงดาท่านกินเพื่เดียวมาข้าสิบเจ็ดสิบปีไท่านเป็นอะไรใช่เจ้าค่ะยังบอกเออดูพระเป็นตัวอย่างสลดูหลวงพระอาจารย์เป็นตัวอย่างนะพระอาจารย์ยังหลับสุดยอดเลยยังแข็งแรงเลยอ่ะยังแบบโอ้โหโอเคโอเคงั้นเอาใหม่เริ่มใหม่เราต้องเริ่มได้ตลอดเวลาใช่ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณที่เมตตานะคะกับสองค์ทอ ไปที่คุณญายตอนนี้เป็นการเป็นกุญแจนิกะตาหรือเป็นการเป็นศาสตราจารย์ค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีคําถามยังเป็นย yeah, ังเป็นกุญแจอยู mm ่นะทําบ้างไม่ทําบ้างก็ทำก็ทําไม่ให้ไม่ใคยขาดนะพะอาจารย์เแต่ว่าช่วงก่อนไม่ได้เข้าสูงก็เอ๊ อ่ะในวันหนึ่งค่ะอาทิตย์ที่แล้วค่ะงานลูกสบายค่ะงานให้ลูกใช่ค่ะพอาจารย์ก็กลับจากอินเดียก็มาลุยลุยงานต่อไม่ได้จ้ากันไหนก็ทําเองทั้งหมดก็แบบว่าบอกลูกว่าเราก็เอาแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรหรอกใช่ค่ะเพิ่แจ่มาเอาข้าให้คนกินก็จบแล้วต้องไปอากระไรอะไรมยุ่ยยากไหมอ๋อค่ะ นั่นแหละค่ะแต่ก็อยากให้สวยงามก็เลยลงมือทำให้ลกเองเพราะว่าเป็นงานเล็กๆใครใใคครรเขาก็ไม่ค่อยอยากจะรับงานเล็กๆไงคะเป็น <Okay. S 2> อะไรว่าเออทําเท่าทําเพื่อนลูกมาแล้วค่ะคงไม่ไม่มีใครว่าอะไร mm hmm. ก็ให้เขาจัดของเขาเองเราก็เป็นงานกลางวันแค่ยกน้ําชาให้แนะนําญาติให้รู้จักกันแค่นั้นเองคระอาจารย์ค่ะมีอะไรไหมเพื่อน ไม่มีค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมะคะแต่ก็ยังล้มลลกคู่คานเหมือนเดิมแล้วไปดีได้ไรกลับมามากกว่าก็ได้ฝึกขันติบารมีค่ะพระอาจารย์ฝึกความอดทนอดกลั้นฝึกฝึกใจอะค่ะฝึกใจกับการที่เราไปเจอในสิ่งต่างๆที่มันมากระทบจิตใจเรา แต่ถ้าเราจะเอาเรื่องการที่ว่าจะไปสร้างสมาธิให้เกิดมันไม่สามารถจะสร้างได้เลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าคนมันเยอะแล้วเราก็เดินทางตลอดแต่ว่าเราก็นั่งอยู่บนรถก็นั่งได้นะคะพระอาจารย์แต่มันจะหลับเพราะว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมันล้า ม, มันเดินทางแต่ลที่มันไกลมากแล้วก็ฝุ่นก็เยอะมากแล้วก็ร่างกายก็ไม่ไม่สบายป่วย ป่วยอยู่ที่นูนประมาณห้าวันนะคะพระอาจารย์ก็ฝืนสังขารไปตามตามเขาตลอดก็ป่วยป่วยหนักแล้วนะพระอาจารย์กลับมานอนถือศีลแปดตลอดสิบวันแต่วันสุดท้ายนี่ก็เลยว่าเออตามคณะเข้าไปดีไหมเพราะว่าไปซื้อชุดแดงมาใส่ก็ว่าเอออย่าให้มันแตกหมู่คณะคณะเกินคนอื่นไปก็แค่นั้นเองก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็ตั้งใจก็คือ ตั้งใจถือสัจจะตัวเองว่าจะจะกินจะสินแปดตลอดอยู่ที่นู่นนะคะก็ก็ผ่านขั้นตอนนั้นได้แต่ก็แต่ยมคิดว่ามันไม่ผิดแล้วมันมันสินมันอยู่ที่ใจมากกว่าเสื้อผ้ามันก็คงเป็นสิ่งภายนอกที่มันไม่ได้สําคัญเดี๋ยมคิดอย่างนี้ถูกด้วยเปล่าคะหรือว่าเข้าข้างตัวเองนั่นแสว่าเราแต่งเพื่อความสวยงามหรือเปล่าถ้าต่งเพ่อความสวยงามก็ผิด อืมแต่แตว่าให้ถ้า แ, แต่งว่าไม่มีชุดอื่นมันมีชุดนี้ใส่เข้าไปมันไม่มชมันมีชุดค่ะยมเอาแต่ชุดสีขาวกไปดาไปแต่ว่าพอวันสุดท้ายเข้าไปถ้าสมาหานะคะพระอาจารย์แล้วก็ไ ม, มไม่ไมค่ะไม่เดียวไม่ได้อยากสวยแต่ว่าเพียงแต่ว่ายมยมไม่เหมือนหมู่คณะนะมาเก้าวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ แล้วก็วันสุดท้ายเขาบอกว่าเออแต่งสีเถอะแต่งสีเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมเล่าว่าผิดข้างว่ากันจบไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตออะไรนะจะถาม่าษาผิก็ได้เนี่ยผิดก็ผิดไปจะทั้งหมดมันไม่จบง่ายๆเพรว่านั่งคิดอยู่นั่นแหะผิดก็ถูกนะเราต้องกล้ากล้าทำมันต้องกล้ารับผิดบ้างเลย ใมันอะสงสัยก็คามเเล็อาจจะมีนิดหน่อยแต่มันไม่เยอะแล้วค่ะอาจารย์ก็แค่ว่าเอาเอก็ก็ให้ถือสิ่เจ็ดไปก็แล้วกันถือสิ่งเจ็ดไปก็แล้วกันไม่ได้ผิดทั้งหมดนผิดแค่ข้อเดียวนะคะอาจารย์โอเคค่ะอ่ะใ้ก่นอนคะไมองอ่ะไปที่คุณสีอ่อคุณสียอาอล่ะไง กับ น, นมัสการค่ะพระอาจารย์ตอนนี้สี่ย อ, อยู่ที่เชียงรายเอาไปเชียงรายไปเยี่ยมลูกสาวเลยเยี่ยมลูกสาวค่ะแต่ว่าไม่ได้นอนด้วยกันค่ะเพราะว่านองเอาสอบพอดีก็ก็คือขันติเหมือนกันค่ะอาศัยช่วงเจอเดินช่วงตําเงียบค่ ะ, คะก็แต่ว่าก็พาเขาไปเที่ยวบ้างค่ะไปตามวัดอะไรค่ะแต่ก็เหมือนที่พระอาจารย์ไปไม่ได้อะไรแต่ว่าพาแม่เข้าไปไปไหว้พระ ก็ตลองทาทาประโยชน์ให้นคนอื่นเขาว่าตอนภาแม่ไปเที่ยวนะคะจะค่อนข้างหมัดใจนิดหนึ่งเพราะแม่เขาก็จะพูดเดยอะผนก็ต้องหนก็ต้องพยายามฝึกฝึกดวามทนแต่ก็อดไม่ได้นะค ะ, ะก็ดูเข้าไปมดูก็ก้มเงียบกับตะคะ่ะต้องฝึกขันติกาจารย์มุ่นคุณก็ตามมาตามอยู่มา ต, เต่เวทีนะพรุ่งนี้กลับป่ะคะโอเคถ้าว่าท่านนี้ก่อน ไปได้คุหมอณัฐวุฒิที่กองทัพบกเหรอขอบคุณนักการพอาจารย์ครับวันนี้เข้ามาฟังธรรมครับนะฮะสบายดีนะสบายดีครับสบายดีครับถึงคิวถึงคิวขึ้นเขาไหมครัเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าอ่ะอีกสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้ามีสัปดาห์นี้เป็นเลคเชอร์ที่เก็บแต่ว่าสัปดาห์หน้ากลางเดือนขึ้นไปครับนะอพอไม่ไปก็ฟ <laughs> ังจากธรรมโกระแสะโลกดูที่ครับนะ เอาควาฟังเข้ า, ามาเนครับไม่งั้นมันก็จะได้ตรงนี้ก็วางขึ้นแต่ก็พยายามเอาเวลามาปฏิบัติแต่ว่าก็ยังสู้กันอยู่ครับนะรโอเคดีไปที่กุเชนทานกุชนานจากแมริแลนดเห็นไหมคะพระาอาจารย์วันนี้ยมไม่มีคำถามค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะ <c oughs> ม, มีข้อสอบถามข้อสาบบ้างป่าวพระอจามันก็มีอะค่ะพระอาจารย์ ม, มันจะแบบมีเรื่องจากที่ทำงานอะคะ่ะอย่างเช่นเราเห็นความไม่ยุติธรรมของคนทำงานในลักษณะที่ว่าเขาตั้งใจจะรักษาผลประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คือยมยมเป็นคนจัดซื้อพวกอผลิตภัณฑ์พวกเดลรี่ให้กับบริษัทเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วมันก็ซัพพลายเออร์ที่ยมติดต่อด้วยอะคะ่ะเขาก็ เขาก็เหมือนกับว่าจะมาชาร์จเงินเอ็กซ์ตร้าเราเพราะว่าเราลืมคืนเอกะบะที่ขนนมอะค่ะซึ่งมันไม่ใช่เมนบิสเนสของเขาอะค่ะแล้วความเป็นจริงก็คือเราคืนเขาทุกครั้งแต่เขาอ้างว่าเราไม่ได้เขียนในเอกสารเขาก็เลยต้องการจะชาร์จเงินกน 15, ลับมาหมื0นห้าพันเหรียญยงก็แบบว่ามันเห็นถึงความ<อ>ไม่ยุติธรรม เห็นถึงความโลภทั้งๆ ท, ท, ที่ยมคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้ว่าเราคืนของให้เขานะเราคืนกระบะไอ้ที่เป็นเครปส่งของให้เขาคืนทุกครั้งเลยแต่เขาบอกว่าเป็นเพราะเราไม่ได้เขียนในกระดาษเขาก็เลยต้องชาร์จเราทั้งปีเราก็เห็นแล้วเราก็ยมก็เลยพูดเล่นๆกับเขาค่ะว่ า, วาเออยมตายแล้วยมจะขึ้นสวรรค์ยมก็หวังว่ายมจะได้เจอพวกเธอในสวรรค์เน้อมาต ก็ยังไม่รู้จะทำยังไงค่ะเพราะว่าเขาเขาตั้งใจอ่ะค่ะทั้งทังที่เขารู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเราก็คืนของเขาทุกครั้งก็เลยหิบไปแล้วมันก็เป็นความต่าไม่ได้อ่ะเราก็เราก็เราก็พูดเสร็จแล้วเราก็ทาเป็นหัวเ้อะแล้วเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันก็เป็นเขาก็อ้างว่าธุรกิจคือธุรกิจนี่อะค่ะแต่ในขณะที่เราเราก็มองว่ามันมันไม่ถูกต้องอ่ะในเมื่อในเมื่อเธอได้รับของไปแล้วแต่เธอกับ อ้างว่าเราไม่ได้เซ็นในเอกสารมันมันไม่ถูกต้องนะแล้วก็เห็นถึงความเห็นถึงความกิเลสของของของคนนะคะพระอาจารย์ mm hmm. ก็ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยวางเมื่อเปล่อยวางค่ะค่ะโยมก็ปล่อยวางอะคะ่ะแล้วก็ทิศที่ผ่านมา mm hmm. ต้นนายมเขาก็โทรศัพท์มาบอกว่าเออโยมเป็นเหมือนกับลักษณะว่าเราเป็นพวกเราเป็นขึ้นลูปใหม่ของบริษัท เราจะต้องทํางานให้มากขึ้นลักษณะเนี้ค่ะอย่ามาคิดในใจตายแลย้วยมตั้งใจจ ะ, กะเกษียณให้เร็วที่สุดทํายังไงเลยนี่แต่ก็ก็ไม่เวลารเราจะทำอะไรก็ไม่ของเราเขาจะพูดอะไรก็ไ ม, ม่ของเขาไปค่ะค่ะเราก็เราก็ทําไปแล้วก็แล้ว เ, เ, เ, เราต้องหนักแน่นกับวิธีทางของเราค่ะไปาาค่คอยๆกับการพูดการกระทําของคนอื่น ค่ะค่ะพราะโยมก็อยากจะปฏิบัติให้จริงจังมันการ อ, อยู่ระหว่างทางโลกกับทางทํางานนี่มันยากอะค่ะขงฉลาดาสติขงฉลาดาสติขงโยาหาสตางค์ข้าพเจ้าโยมก็พยายามอยู่เนี่ยค่ะโยมก็รอที่โยมรอก็คือโ ย, ยมยมรอให้ลูกเรียนจบแล้วก็พอลูกเรียนจบแล้วโยมก็จะได้ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่อะค่ะโยมรู้สึกว่าตัวเองเสียเวลา แล้วการปฏิบัติของเรามันก็ขึ้นขึ้นลงๆเพราะว่ามันมีเรื่องกระทบในแต่ละวันบางทีวันไหนที่เรามีอเวกอเวกขาเราก็หยุดได้บางทีเราไม่มีเราก็ต้องรอใช้สติบ้างใช้ความคิดบ้างโยมก็พิจรารณาขันห้าพิจรารณาอาการสามพิษสองพิจรารณาความไม่เที่ยงบางอย่างมันก็หยุดได้บางอย่างมันก็หยุดไม่ได้อะค่ะพระอาจารย์ก็ต้องสุดตอบ มันมันขาดองเบงขาไม่แม้จะมีปัญญาเท่าเดิมองเบงขามก็ยู่ไม่ได้เพราะว่าคนคนยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างโยมเนี้ยฟังเทศพระอาจารย์วรสามสี่รอบฟังมันทั้งวันเนี่ยจนจนโยมเข้าใจว่าเออเราเข้าใจธรรมะแล้วนะแต่เอาเข้าจริงพอปฏิบัติมันไม่ถึงค่ะเอามาใช้ไม่ได้เพราะกํำลังขององเบงขามันไม่มีค่ะใช่ค่ะอาจารย์ แล้วบางทีตอนกลางคืนจะปฏิบัติเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยแต่เราก็ปฏิบัตินะคะอาจารย์นั่งไปสองชั่วโมงอย่างเงี้ยบางทีก็วูบหลับบ้างบางทีก็ตื่นบ้างบางทีมันเห<อ>มือนมันไม่เหมือนมันยังไม่ดีพอคะ่ะอาจารย์ต้องทุ่มเทคารวะก็เหมือนกับคาวรวะอยู่ใต้ทางด่วยนะยังไม่ได<ข>้ขึ้ น, นขึ้นนทางด่วนถ้าขึ้นทางด่วนก็เป็นทัศนบวชค่ะค่ะอ า, าจารย์ยงก็ตั้งใจไวแล้วค่ะก็ขอลูกไว้แล้วด้วยว่าเนี่ย ออีกหน่อยลูกโตกว่านี้อีกหน่อยดูแลตัวเองได้ก็จะเริ่มเริ่มเริ่มออกไปเนาะนาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคเขาก็ยินดีแล้วเขาก็เขาก็เริ่มพุดโธพูดโธรแล้วนะคะพระอาจารย์ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มต้องพุดโธรสวดมนต์ยงก็บอกเขาว่าสักห้านาทีได้ไหมเอาธิรนิดก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วเขาก็ติใจเองค่ะยงยงก็คิดว่าเขาก็คงเห็นเราปฏิบัติมาแล้วมันก็มีผล บางทีมันก็ดีบางทีก็ช่วยเขาได้บางทีเขาอารมณ์รุนแรงยมก็พูดจนเขานิ่งได้อย่างเงี้ยค่ะยมก็บอกว่าเนี่ยแหละคือสมาธินะถ้าเราฝึกสมาธิมันจะเป็นต้นแบบของทุกอย่างแล้วแล้วเขาก็เริ่มเริ่มบ้างแล้วค่ะอย่างน้อยยมก็เริ่มมีความหวังต่อวพระอาจารย์ค่ะค่ะพระอาจารย์เอาวันนี้ก็ไม่มีคำถามพระอาจารย์เข้ามากราบพระอาจารย์กราบทูตเจ้ากราบทูตเจ้าค่ะคนพิเศษจากสกลนคร จ้าวนมัสการพระอาจารย์ครับมีอะไรไหมมีมีคำถามนิดนึงรนพระอาจารย์พอดีเวลาดูพวก t u b e บอะครับพระอาจารย์แล้วก็มีบางทีดูดู u t u b e ที่พวกเขากระโดดกระโดดล่มตรงหน้าผาอะไรพวกนี้พระอาจารย์หรือเขาจะใส่ชุดสูรแล้วล่อนไปอะไรพวกนี้เขาก็จะถ่ายให้เห็นหน้าผาลึกๆนอเราเรามองดูเราก็รู้สึกหวาดเสียวไปกับเขาด้วยนะ ดี๋ยวเรามาคิดดูดีๆเอ้าถ้าเราจะหวาดเสียวทาไมก็มันเป็นจอแท็บเล็ตนี่นะเราจะหวาดเสียวกับเขาทําไมเนี่ยกั่แสดงว่าถ้าคิดว่าอยู่ในถ้าเราคิดว่าเราเป็นเขาอะใช่ไหมพ่ออาจารย์ใจเราไปยึดติดดุกติดมันาไม่ได้เป็นผู้รูเราเป็นแบบผู้แสดงโอ้แล้วส่งใจออกนอกไปตรงนั้นนะครับอาจารย์แล้วต้องดึงใจออกมาให้ถ้าเกิว่ารู้จะเห็นเป็นจอแท็บเล็ตเนาะแล้วเราจะไป เราเราจะไปหวาดเสียวกระจ อ, อ้ยเด็ดทำไมเหรอเห็นเหาเห็นเหงาเห็นเาจริงกันทำลายไหลไปกับเขาด้วยครับพระอาจารย์แต่ที่พระอาจารย์เคยบอกไปว่าการฝึกสมาธิภาวนาเมื่อฝึกเอเมื่อแท ง, งหวยถูกแล้วมันมันก็จะขยันแทงเองนะผมพอเข้าใจครับพระอาจารย์เออเออได้ได้ผลแล้วมันก็จะถินใจครับแล้วมันจะขยันเองครับพระอาจารย์ออผมเข้าใจครับรบกวนพระอาจารย์แค่นี้ครับขอบคุณพระอาจารย์ ไปที่คุณช น, นิสาต่อชานิสาเ k ็นเคโตเกียวเนี่ยอยู่โตเกียวยการค่ะลูกชายละค่ะเขาจะกลัาพระอาจารย์ด้วยหลับไปแล้วค่ะหลับไปแล้วแต่ก็เนี่ยนะทำไม<อ>พระตกี <laughs> เก้เกิดบ2สองอยานนะค่ะพระอาจารย์วันนี้ตอนบ่ายนั่งฟังเทปคุณหมอพระอาจารย์เมื่อวันอาทิตย์นะคะ <ม>แล้วมีทางบ้านก็ถามมาคําถามนึงว่าอะไรนะคะถ้าปฏิบัติสมาธิเองโดยที่ไม่มีอาจารย์ชี้แนะอะไรหรือเปล่าคะจะทําให้อ่าเป็นบ้าเออ<ม>ค่ะพระอาจารย์ค่ะตรงเนี้ยสงสัยว่าคําว่าไม่มีอาจารย์แนะนําหมายถึงเราต้องไปนั่งต่อหน้าพระเราให้พระสอนอย่างนี้หรอคะหรือว่ายัางไงค ะ, ะไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไม่ไมีใครสอนวิธีที่ถูกต้องว่าเป็นยังไงแล้วเวลา อะไรควรจะรู้ไม่คนคนจะรู้ว่าอะไรไม่ไม่เป็นสาระสําคัญอะไรเป็นต้น mm. คือต้องศึกษานะต้องศึกษาจะมีอาจารย์สอนโดยตรงหรือว่าอ่านหนังสืออะไรก็ได้ทำได้ถ้าเราเข้าใจว่าการนั่งสมาธิที่ถูกต้องเนื้อต้องนั่งแบบไหนฉันต้องนั่งแบบมีสติต้องไม่พูดโธอยู่ตลอดเวลาเน้นดูลมหายใจตลอดเวลาไม่ใช่นั่งแล้วปล่อยให้ใจลอยแล้วมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไป ไปปูแตกว่าเป็นรูปเป็นรีาอย่างเงี้ยมันจะเป็นบ้าได้อืมอย่างที่อ่าอย่างที่เข้ามาฟังพระอาจารย์แล้วก็ขอคำํำ อ, อ, อ่างนี้ก็ถือว่ามีอาจารย์อย่างนี้ก็ถือว่ามีอาจารย์เป็นคนคอยปรึกษาคอยให้ความรู้อ๋อค่ะเข้าใจได้เลยค่ะมีค<ม>วามเพราะ<ำ>เราไม่ต้องไม่ต่อไม่เป็นบ้าเพอาะเราฟังกันเยอะแล้ว พอพ อ, พอได้ยินคําถามนั้นขึ้นมาแล้วเอ๊ะรู้สึกเอ๊ะหมายหมายความว่ายังไงนะว่า mm hmm. เลยคิดว่าวันนี้จะถามว่าอาจารย์ค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึง่งพอพ อ, อนั่งกรรมฐานกับนั่งสมาธิมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงอะคะพระอาจารย์มันภาษามันไม่เหมือนกันแต่การกระทําเหมือนกน oh. ันกรรมฐานแปล ว, ว่าอารมณ์ที่เราใช้กํากับใจเช่อนอาณาปณะสตินี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ พุโทโ<ะ>มันกรรมฐ า, านอ่ง อ, อ๋อที่เรานั่งพุทโธเรานั่งพุทโธพุทโธนั่งกรรมฐ า, านก็ได้หรือนั่งสมาธิก็ได้เหมือนกันเราใช้ภาษาแบบหลวงหลวงกันเยอะไงมันจะไลพลกันตลอดอืมค่ะเข้าใจชัดแจ้งเลยเนั่งสมาธินั่งวิปษาษานะัสสนานั่งกรรมฐานนี่เหมือนกันทั้งนั้นนะ ก็มาปฏิบัติภาวนาอัอ น, อนนั้นด้วยค่ะพอเพอเริ่มฟังไปเรื่อยๆเอ๊ะที่เข้าใจมาวินั่งวิปัสสนานั่งกรรมฐานนั่งสมาธิเอ๊ะนันตกลงมันแตกต่างยังไงวันนี้ก็นั่งคิดค่ะอาจารย์มันมันมีนความแตกต่างนะแต่สำหรับคนทั่วไปเขาไม่รู้ว่มันแตกต่าง่ะเขาต้องพูดไปตามความเข้าใจของเราเวันนี้นั่งสมาธิเป็นคํารวมการนั่งการนั่งสมาธิเขาทัดใจใส่หมกนี่ค่ะ การนั่งมีปสัสสนานี่เราต้องการนั่งเพื่อให้เห็นอริยสัจสี่เห็นตจล ะ, อ, ะอันนี้ต้องสอนใจต้องศึกษาต้อใช้ความคิดแต่ตอนมานั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไม่ให้คิดให้หยุดคิดมันเรานเรื่องกันอเช่นเราพิจารณาร่างกายไม่ไม่เทียงเนี่ยเมื่อเราวิปสัสสน า, นนะนานแล้วร่งแต่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยถือว่าเรากำลังทำวิปสัสสนาน อน้าพิปัสชน า, านี่จําเป็ น, นต้องหลับตามไหมคะนอนหลับก็ได้ไม่ได้แล้วแต่เราจะอยู่ในระยะผลไหนเดินไปเินแล้วก็จะเรียนิปัสชนาได้นั่งก็ได้แล้วแต่เราอ<ต>ส่วนใหญ่เราจะนิยมเวลาหน้มามันจะนั่งทำสมาธิมากกเวลาวิปัสสนาในส่วนใหญ่จะใช้ที่เวลาที่เราเดินจงคง อ๋อค่ะแต่ก็ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นของตายตัวหอเพนั่งนั่งสมาธิได้จะเรียนวิปัสสนาก็ได้อืมค่ะพระอาจารย์การต่านกันตรงนี้สมาธินั่งเพื่อให้หยุดขึ้นอันเนี้ยวิปัสสนานั่งเพื่อให้คิดใช่ฉลาดคิดให้คิดให้ถูกว่าเป็นคิดตามความเป็นจริงค่ะ เข้าใจค่ะขอบพระคุณค่ะพรอาจารย์ค่าทูค่ะเจะ้าท่มแล้วก็เกือบจะสองยามแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวพุ่นี้ต้องไปทางานหรือเปล่าพรุ่งนี้ไปทำงานค่ะเข้าเอาเสีโอเคโอเคนะตอนนี้ก่อนอาจารย์ไปคุณปุ้ยคุณปุ้ยจบงานแล้วใช่ไหมลาออกจากงานแล้วใช่ไหม จวนแล้วกลับกลนมัสการเจ้า ข, ข้าพระอาจารย์เออยังไม่ออกนะยังอยู่นะยังอยู่ยัง ย, ยังทนอยู่เข้าได้อยู่นะอาทิตย์หน้าตกลงออกแน่นอนกนอ า, นาอิานาพระอาจารย์เออคุณหลาเธอสบายดีไหมปไปหนไงะเห็นาลาไปวิปัสน า, าเดือนหนึ่งกาไปปฏิบัติธรรมเดือน ว่าเอ่อปุ้ยทรงเอ่อคุณปุ้ยทรงเอ่อข้อความไปเอ่อยังไม่ไม่รับทำแกปิดหมดมแกจะปิดวเอ่อปุ้ยวเอะหลานปกติเธอจะตอบเอ่อเราเราไปร่วมบุญด้วยเอ๊ะคุณหลาหายไปจะเป็นห่วงอ่าออเนี้ย ก, ก็ประกาศให้ทราบว่าหลังถ้าใครอยากจะรู้คนหลานไปนะแกไปปฏิบัติธรรมโ อ, โอ้โหค่ะเดือนนั้ น, นไม่ได้เจอกาศีอาทิตนั้น โอ้โหค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณหลานด้วยค่ะแล้วยาก็ปิดเครื่องไม่ไม่ไม่ทําเรื่องทางทําโซเชียลอะไรนะครับไมดีำลุมเป็นร่วมบุญกับคุณหลานเอ่อพหายถวายพระอาจารย์นะคะไม่เป็นไรก็ส่งไปก็ได้แลนะแต่ว่าแกออกมาแกก็จะมาร่วมดวงอีกทีก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณหลานแก็ตอบเองทีนี้เป็นห่วงคุณหลานไม่สบายหรือเปล่าเอออ่าเป็นห่วงเฉยเฉไม่มีละไรแกก็ไป ปฏิบัติตามหน้าที่ของแกคราวนี้ได้ยาวหาวนกาเลยไปนานหน่อยพระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีอ๋อค่ะโยมก็ปฏิบัติทำเออวันพระอาจาร์เต็มดวงโยมไม่ได้ไปไหนหรอกวัดวัดไม่มีโยมก็ปฏิบัติอยู่กับบ้านเนี่ยคะ่ะโยมก็ทําว่าได้เป็นวัดก็ได้ใช่ค่ะโยมปฏิบัติตามคที่พระอาจารย์บอกทําบ้านให้เป็นวัดและโ ย, ยมตัดสินใจว่าเอ่อโลก ค่อยๆค in ่อยๆช้าๆช้าๆเพราะว่าเราอยากจะถือสิ่งแปดจะจะหยุดกินข้าวกินข้าวมื้อเดียวอ่ะไม่กินตอนเย็นอ่ะแล้วทีนี้บางทีอ่ะบางวันเนี่ยมันจะลืมแต่ถ้าวันพระวันโกนเนี้ยจะไม่ลืมแต่ว่าถ้าทุกๆเนี่ยเดินไปหันไป็รงนู้อุ้ยโยยความเคยชินน่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะเราต้องหัดหน่อยเพราะว่าโยมกะว่าพรรษาเนี้ยเวลาพระเข้าพรรษาโยมก็จะเข้าพรรษาเหมือนเหมือนกับพระด้วยอ่ะอ่า โยมต้องตั้งใจให้เต็มที่เพราะว่าโยมปล่อยตัวแล้วว่าโยมจะเดินทางธรรมอ่ะเดอเอาให้เต็มที่เลยเดี๋ยวออกจากงานแล้วจะได้มีเวลาปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะโยมคิดว่าอายุโยมเยอะแล้วพระอาจารย์แล้วก็อเออเรามีทางเดียวอ่ะที่จะรอดก็คือทางนี้และมันเป็นทางที่สงบจริงๆเพราะเราก็เคยเที่ยวมาแล้วมันมันมันไม่เหมือนอ่ะมันไม่เหมือนกับทางธรรมัน ทำนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันไม่เคยให้กลองเหงาเลยนะก็ เ, ออเดี๋ยวไปฟังทำตรงโน้นฟังทำตรงนี้ อ, อ้าวหมดไปได้หนึ่งวันสวดมนต์ทำนู่นทำนี่หมดไปได้หนึ่งวันออไม่มีเวลาให้เราคิดเลยโยมก็เลยบอกว่าโอเคทางนี้แหละ เ, ออเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้เราจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าแบบไม่อยากเสียวเวลาไหนๆเกิดมาแล้วโยมก็ฟังพระอาจารย์โยมก็เลยอยากปฏิบัติตามค่ะดีมากทาไม่ได้ก็แล้วกันนะ ใช่เพราะว่ายมไม่ใช่คนเก่งยมเป็นนักเรียนยมก็ถือว่ายมปฏิบัติไปเรื่อยๆเอาทุกวันสิ้นห้ายมพบแต่ว่าสิ้นเจ็ดเนี่ยยมได้แต่สิ้นแปดยมหืมตีตัวเองเรื่อยเลยบอกคทำโทษตัวเองมันจะเดินเพื่อเรื่อยเล ย, เลยอาจารย์ตอนเย็นแต่ถ้าไม่ใช่วันถ้าอย่างยังยังอย่า ง, า ง, า ง, างสมมติเมื่อวานเนี้ยมันไม่ใช่วันพระเผือเรื่อยแล้วพอเจอส้มถือมาแล้วมันนั่นคิด ต้องทำโทษตัวเองอ่ะแบใจเรามันตามใจปากเกินไปอ่ะดี๋ยมันต้องหักข้ามหน่อยต้องหัดขัดไปเพราว่าเอรัญาเนที่นะนคําสำหร็จอยู่แค่นั้นนะจะพยายามอย่างสูงค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ไปป่อข็งแรงสมบูรณ์นะคะปล่อยไปำรวยทุกคนทัองว่าโง่ท้ว่า เสียวหวยไหมกินแล้วขอบคุณวันืนึงสนุกสนุกแล้วนะอย่าไปเล่นนะจ้าสวัสดีค่ะไปด้คุณพูดต่อคุณพูดอยู่ที่ไหนกราฟนรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนตอนยมอยู่ที่ประเทศลาวเจ้าค่ะไปทำอะไรน่ะนะไม่เป็นคนลาว มาทํางานที่โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ํางึบค่ะหนูทํางานกันไฟฟ้าคะ่ะแล้วก็ฟังพระอาจารย์มาทางที่ทำํำที่อาจารย์พูดกับคุณหมอะอะค่ะฟังกับแม่ังมาตลอดต้อเคยมาหลาทีแล้วก็ค่ะตอนนี้โยมก็ปฏิบัติทุกวันค่ะตั้งใจที่จะปฏิบัติทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ทํามาตั้งแต่เด็กลคะค่ะ แต่ก็ตอนนี้มั่นคงในการปฏิบัติยิ่งทำก็ยิ่งเห็นกิเลสของตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นความน้อยใจความอะไรแต่มันจะรู้เร็วกว่าเมื่อก่อนบางครั้งก็ไหลไปค่ ะ, ะในการปฏิบัติเนี่ยโยมใช้วิธีพอมันสงบแล้วโยมสามารถคิดนำได้ไหมคะพระอาจารย์ไม่ควรไม่ควร ปัญหาถ้าทำสมาธิไม่กดคิดให้มันไม่ไปนานๆดีกว่าไม่คิดตอนที่ออกมาจากสมาธิแล้วเราต้องการสร้างอุเบกขาให้มีกำลังมากมากขึ้นยิ่งนานเท่าไหร่ใจยิ่งนิ่งยิ่งมีอุเบกขามากขึ้นแล้วต่อไปเวลาเราใช้ปัญญาเราจะได้ทำใจได้ ในการใช้ปัญญานี่ไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์คิดคิดแต่ไม่ใช่คิดตามที่ทำสมาธิทําว่าถ้าไปคิดเวลาออกจากสมาธิแล้วคิดเวลามันเดินจมกองอะไรนี่ค่อยคิดเจ้าค่ะผู้อาจารยวุโสคิดตอนนี้ก็ได้ตอนนี้คิดอะไรปัญญาจคิดอะไรคิดไปให้ได้ให้พอแต่เวลาทําสมาธิเราต้องการหยุดคิดเจ้าค่ะเจ้าค่ะเข้าใจแล้วค่ะกับ ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะขอให้เป็นความภาคภูมิใจนะไอ้ที่คนนัลิตาค่ะนักลิตาอยู่ี่ไหนอ่าพูดได้เลยน้องกอล์ฟน้มรักษการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าอยู่ไหเอยอยู่ที่นครราชสีมาค่ะโอเคเคยเข้ามาแล้วใช่ไหมเคยเข้ามาครั้งหนึ่งเจ้าค่ะอ่ามีอะไรไหมวันนี้เออหนูสงสัยว่า พอดีหนู อ, อ, อยากจะเห็นไตรักษ์ของอายตนะภายในเจ้าค่ะแต่ว่ามันไม่เห็นหนูเห็นแต่รูปรดกลิ่นเสียงแล้วก็ธรรมารลมหนูเห็นแต่ว่าเหมือนเวทนาทางใจมันเหมือนถึงว่ามันมีมันมีโกรธมันมีความเกลียดไปมันมีความคันที่ผิวหนังมันดับเ อ, อแล้วก็ รูปหนูเห็นแต่ว่าเหมือนร่างกายมันก็เหี่ยวได้แต่ว่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าหนูไม่สามารถเห็นความแปรปวนของตาจดวงนิ่งกายได้เจ้าค่ะไม่สาารถก็เวลาเวลาตาตาเป็นต้อเป็นมาเลยไม่ ว, ว่าตาเจ็บตาบวมนี่ยมันก็เป็นอันนี้อันนี้จังทนำะไปเที่ยงแลอ๋อเจ้าค่ะปวดตาบวมกันแล้ว หัหนัวหัเจ็บหูอะไรขึ้นมามันก็เป็นอันนี้จังนะเจ้าค่ะตาตาอาจจะไม่เป็นมากไม่เป็นบอดอะไรมองไม่เห็นก็ได้แต่วันนี้คนดีตาเราอาจจะไปบอดข้ามถึงก็ได้เนื่ออะไรเข้ามาที่ตาทำให้มองไม่เห็นข้ามอะรย่างงี้ันนการดีจังนะเจ้าค่ะ แ, แล้วทีนี้เวทนาทางกายเราถือว่าเป็น เราถือว่าเป็นปวดทับพะใช่ไหมเจ้าคะใช่าทางกายมันก็เป็นปวทับพระเวลาถูกของแข็ขง ข, ของแข็งของแ้งํา ข, ข, ของตชื้นเข้ามามันก็เจ็บใช่ไหมหรือไม่มใช่ใ้เวลาไม่สบายมันก็เป็นปวทับพะได้เหมือเวลาเจ็บปวดจากการไข้มันก็เป็นปวทับพะแสดงว่าถ้าเป็นตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้เราหมายถึงลูกที่เป็นดินน้ําลมไฟที่มันจะเกิด ความเสื่อมได้อย่างนี้ใช่ไหมคะถึงจะเป็นอนิจจังก็ร่างกายเรามันมันมาจากดินด้านลงไปยใจนะมันก็มันก็เปลี่ยนแปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปซสื่อมไปพอไปเวลาแก่ลงตาก็ไม่ค่อยดีหงก็ไม่ค่อยดีแล้วมันจเจริญขึ้นอย่างเช่นว่าผิวหนังมันทลอกแล้วมันซ่อมแซมกลับขึ้นมาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอนิจจังด้วยใช่ไหมเจ้าคะก็เป็นเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่มันจะเสือ่อมมากกว่าเจริญ ทุก อ, อย่างในะร่างกายนี้เมื่อมันจเจริญเต็มที่แล้วตอนต้นมันจะจะมีดัดเจริญตอนที่เราเป็นเด็กมันก็จะโตขึ้น ไ, ไปเรื่อยๆแต่พอมันโตขึ้นมากลางคนนะวัยกลางคนที่มันเจ้ามีดัดแล้ชั้นน้ถอย ห, หลังลมันจะเริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วิน้องก่าฟอาจารย์เจ้าคะแล้วทีนี้เราจะพิจารณาอย่างไรในสิ่งที่พอมันจเจริญขึ้นแล้วมันเป็นทุกข์ได้อย่างไรหรือเจ้าคะ มันทุกข์ว่ามันมม่จะเล่าไม่ตลาดไงมันต้องมีวันเสือ่อมลงเจ้าค่ะแล้วลถใจเหรอเจ้าคะเราจะเห็นได้อย่างไรหรือเจ้าคะรถใจเราดิธรรอามณ์เราดูอารมณที่เกิดในใจเราอนรมณ์ต่างก็เกิดดับเกิดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้เครียด ม, มากวุ่นวายใจมากสงบมากสุขมากทุกข์มางอนี่ก็เรื่องเรื่อเราเป็นธรรมอารเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกัน แล้วเราสามารถรตัวใจได้ไหมเจ้าคะว่ามันอใจเราก็มันมันก็เป็นตัวตัวที่มันก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์เปลี่ยนไปตามเหมือนถึงว่าเราพิจารณากับหน้ากับหลังอย่างนี้ใช่ไหมคะกใใ็ให้รู้ว่ า, าให้รู้ว่ามองวันใจเราก็นิ่งมองวันใจเราก็ฟุ้งซานมอใจเราก็เครียดมองวันใจเราก็วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราว่ามันเปลีป่ยนไปเปลี่ยนมา น้อมกับพระอาจารย์น้อมกับขอขมาพระอาจารย์เจ้าค่หนโูแม่ไม่ค่อยเข้าค่ะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เคยเคยพยายามทําอย่างนี้แล้วแต่มันมันติดความสงสัยว่าเหมือนเราไปเห็นความแปรปวนของธรรมารมแต่ว่าใจใจในที่นี้ที่ที่ใจนี้หมายความถึงผู้รู้รหมายถึงผู้รู้ตอนนี้มันไม่มันมันไม่เสื่อมตอนนี้มันมันเป็นเท้าวอล มันรู้เนแนวว่ามันมั น, มนตอนนี้มันรู้ด้วยตามความหลงมันไม่ได้รู้ตามความจริงแล้วถ้าเราเห็นความเดี๋ยววันนี้เราก็เครียดเดี๋ยววันนี้เราก็เราก็สบายดีหมายถึงว่าดีใจอย่างนี้เจ้าค่ะเ อ, อาน<ร>ายันละนายอย่าไปยึดไปติดนะเป็นเป็นธรรมารมแล้วตัวใจนี่หมายถึงตัวที่ไปรู้มันใช่ไหมเจ้าคะ่ะเออที่ไปรู้มันนะ แล้วทำยังไงเราถึงจะเห็นทุกข์ทุกข์ขังหรืออนิจจงของของใจหรืออนัตตาของใจเจ้าคะาใจไปเวลาไปอยากไปเวลาเวลาใจเครียดไปอยากให้มันหายมันก็ทุกข์ขึในเวลาใจสุขก็อยากให้มันสุขไปอย่างเดียวไม่ให้มันทุกข์มันก็จะมันก็จะเครียดขึ้นมาได้มันก็จะทุกข์ขึ้นมาใจจะทุกข์เพราะเกิดความอยาก ใจหายทุกใจหายทุก็อยู่ที่ใจหยุดความอยากให้ได้หมายถึงอย่างนี้เราก็ต้องย้อนไปพิจารณาอิทัปปั จ, จยตาใช่ไหมเจ้าคะเราถึงจะเห็นตัวใจเจ้าคะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราไ ม, ไม่รู้ว่าอิทปัจจาเป็นอะไรเอนันอ๋อ อ, อ, อิทัปัจจตาหมายถึงว่าตัวที่มันจะเกิดก่อนก่อนที่มัน มันไม่สามารถเห็นใจได้เจ้าค่ะไม่เข้าใจว่าจะเห็นความแปลปวนของใจได้อย่างไรเพราะว่ามันเห็นแต่มันเห็นแต่ตัวอารมณ์อ่ะเจ้าค่ะก็ในระดับตัวอารมณ์เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ใจมันแปลปวดนะครว่าอารมมันแปลปวนฝ่ายใจก็แปลปวนตามมันไปดีใจกับมันไปเสียใจไปกับมันเส้นดีใจไปกับอารมณ์เสียใจไปกับอารมณ์ไม่ต้องไปสนใจหรอกมันเลือดเกินไปสําหรับตอนนี้ มันให้คนเอาแค่อายตนะห้าให้ได้ก่อนนะครับแบบอ๋อเจ้าคะถ้าอย่างนั้นถ้าอยากอยากเห็นวิญ ญ, ญาณก็วิธีที่จะไปให้ถึงก็เห็นอายะตนะห้าให้ให้ให้ฟ้องก่อนใช่ไหมเจ้าคะคือคุณไม่ต้องไปเห็นอ้วิญญงวิญญาณขอใ ห, อให้ให้เห็นเวลามีอายตนะปรากฏขึ้นมาแล้วให้เห็นกิเลสกั บ, บกว่ามีกิเลส ไปมีนักไปรักไปชังกับสิ่งที่เราเห็นหรือเปล่าบไปรักไปชังกับสิ่งที่เราเห็นเราล็อกเราเช่นไปรักชังกับรูปสิ่งกิตริลดหรือเปล่าหรือเฉยเฉยนั่นเอให้รู้แค่ตรงนี้เราต้องกาให้ใจเฉยเฉยกับรูปสิ่งกิตริลดต่างๆอย่าไปรักอย่าไปชังหยอกไปรักหยอกไปชงัปปชงน้องก่าวขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วทีนี้หนูก็ หนูเคยเห็นเหมือนกับความเจ็บหลังตอนที่นั่งสมาธิมันมันดับพิบอย่างนี้ก็ถือเป็นวิปัสสนาแล้วใช่ไหมเจ้าคะก็ถ้าเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็วิปัสสนาเวทนามันเกิดแล้วมันก็ดับได้นะทุกเวทนาเกิดแล้วอย่างนั้นมันก็ดับได้ของคนนี้แล้วการเห็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นอนัตตาใช่ใช่ไหมเจ้าคะก็เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้ เวลาจะให้มันหายมันไม่กล้ามันก็ไม่หายอ๋อแล้วแล้วทีนี้เออตอนนั้นที่หนูนั่งอยู่อะ่ะเหมือนหนูเห็นความคิดบางทีสัญญาสัญญาที่มันบางทสีสัญญามันก็เป็นสีเทาๆบ้างหรือความคิดบางอย่างมันถ้าคิดถ้าคิดแบบทุกๆหน่อยมันจะเป็นสีดำดำแล้วบางทีมันก็อยู่ในศีรษะ หนูเห็นมันอยู่ช่วงบนบนตอนนั้นหนูนั่งหลับตาอยู่แล้วบางทีมันออกไปข้างนอกอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังขารที่เราที่เราทำถูกแล้วใช่ไหมเจ้าคะแล้วบางทีมันคิดไปเรื่อยๆแล้วหนูก็เหมือนไม่มีแรงจะไปทำอะไรกับมันแล้วหนูก็เลยนั่งดูลมแล้วอยู่ดีๆมันมันมันก็ดับอยู่ข้างนอกมันก็ดับได้อย่างนี้หนูทำถูกแล้วใช่ไหมเจ้าคะเออแล้ว แล้วอย่างนี้นี่ที่มันออกไปอยู่ข้างนอกได้นี่เป็นถือว่าเป็นจิตตสังขารแล้วใช่ไหมเจ้าคะก็สังขารมันก็เป็นสังขารอยู่แล้วอ๋อแล้วที่มันที่มันบางทีมันก็อยู่ในหัวหรือบางทีมันออกมาอยู่ข้างนอกมันเหมือนเป็นเสียงพูดแต่มันอยู่ข้างนอกมันไม่ได้อยู่ในใจเจ้วค่ะมันอยู่ที่ไหนไม่สาคัญอมันก็มันก็สังขารอย้างนั้นอ่ะเป็นตัวคิดคุแต่ อ๋ออ๋อเจ้าค่ะมันมันก็เกิดดับได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะเราถก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคิดดังนั้นจุดแล้วก็มาคิดเรื่องนี้ต่ออ๋อแล้วทีนี้ถึงมันอยู่ข้างนอกมันก็เป็นของเราใช่ไหมเจ้าคะมันไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกมันไม่มีอะไรเป็นตัวเรามันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดดับเลืกิดดับไปอ๋อเจ้าค่ะแล้วทีนี้ ทีนี้หนูก็สับสนว่าเราจะแยก เ, เหมือนหนูไปอธิษฐานถามพระหรืออาจจะเป็นพระพุทธรูปด้วยเจ้าค่ะแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านท่านละสังขารไปแล้วแล้วบางทีเหมือนมีคำตอบเข้ามาแต่ทีนี้แล้วหนูก็เลยแยกไม่ออกว่ามันเป็นจิตตะสังขารของเราหรือว่า หรือว่าเป็นเป็นสังขารภายนอกหรือเป็นธรรมารมภายนอกที่เรารับเข้ามาหรือว่าบางทีเหมือนคุณแม่หนูก็เป็นคนจิตละเอียดแล้วบางทีหนูคิดแต่ว่าคุณแม่หนูก็รับไปแต่ท่านไม่รู้หรือบางทีเป็นความคิดของคุณแม่แล้วมาที่หนูหรือบางทีเป็นความคิดเข้ามาแล้วเราก็นึกว่าเป็นของตัวเองแล้วทีนี้เอ่อเราจะแยกอย่างไรว่าเป็นของข้างนอกหรือของข้างในหรือเจ้าคะอ่หนูต้องไป ท, าทําสมาธิก่อน ทำจิตให้นิ่งก่อนครต่อไปเวลาอะไรเกิดขึ้นมามันไม่ได้เราไม่ได้รู้ว่าเป็นอะไรอันนี้มันปนกันไปหมดอ๋อเจ้าค่ะทําไปทําสมาธิทําจิตให้นิ่งก่อนนน้ีเพอพอเวลาจิตมันเริ่มคิดขึ้นมาก็จะรู้ปั๊บเลยมันมันมันมาจากตัวสักคั้ตัวเดียวแต่มันมันปรุงแต่งหลอกเราว่ามาจากคนนั้นบ้างมาจากคนนี้บ้างอะไันะแต่มันเป็นตัวเดียวทขนาะที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนคนเขียนนิยายอ่ะ คนคนเดียวเขียนยายแต่เขียนเขาเขียนให้มีคนแสดงเป็นร้อยคนก็นได้ใช่ไหมต้องค่ะอะ่านั่นแหละสังการความคิดปรุงแต่งเรามันเป็นอย่างนั้นนะมันก็หลอกเราว่าแม่คิดมาจากแม่มามาจากพ่อมาอะไรเป็นความคิดทั้งนั้นเป็นคามปรุงแต่งของสังการเราทั้งอ๋อจริงๆเป็นของเราหมดเลยใช่ไหมจ๊ ะ, จะมันสังการที่อยู่ในที่เป็นอยู่ในนามของขันเราเนะี่ยตัวนี้แหละเป็นตัวที่กับสัญญามันมัน มาทำงานร่วมกันถ้างั้นหนูเลิกสนใจไปเลยว่าไม่ต้องไปสนใจมันดูน้องชายว่ามันจะมันปรุงแต่งไปทางกิเลสหรือไม่เทานั้นก็พอถ้าปรุงแต่งไปทางกิเลสก็หยุดมนเจ้าค่ะถ้ามันปรุงแต่งไปแล้วครับก็ให้ว่าปรุงแต่งไวทุกอย่างเป็นตายร่ำอย่างไปนิจจมทุกขังข อ, ง อ, งองนัตตาเจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วไปทำสมาธิก่อ น, นเ น, น่ยขึ้นบ้ากันไปแล้วน้องน้องก็ตัวเจ้ค่ะถ้าขอถามก็ต<อ>้องระวังหน่อยได้ได้ด้วยได้ไหมเจ้าค่ะก็การทำสมาธิก็คือพอเหมือนให้อยู่ทุกอย่างก่อนหยอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก่อนแล้วเราจะได้เห็นความว่างของจิตว่าเป็นยังไงแล้วต่อไปเวลาอะไรเกิดขึ้นมาเราก็จะรู้ว่ามันเป็นการปรุงแต่งของจิตของเราเองเท่านั้น พอเราทำพอเราหยุดมันมได้ป่มันก็หายไปหมดอืมแล้ว ท, ทีนี้พอพอพอวังแล้วแล้วมันมันมันมันมีไปหลับกับอ่าไม่มีสติมันก็หลับเลยมันต้องมีสติทีนี้ต้องกดให้เยอะๆก่อ น, นเราได้ดลบกดให้ ม, มีสติเยอะๆก่อนคมานั่งแลค่ะแล้วทีนี้หนูสงสัยว่า หนูเข้าใจเอาเองว่าภาวังมันเป็นรอยต่อของถ้าเราเป็ น, นความคิดปรุงแต่แล้วยิ่งคิดยิ่งเหมือนงูงูเกิดไ ล, ไล่ไล่กัดหางตัวเองอ่ะยิ่งคิดไปมันก็ยิ่งมีปัญหาตามมาอเรื่อยๆคำถามก็เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ oh. มไม่ได้คําตอบหรอกคาตอบอยู่ที่การหยุดคิดมันได้ไหมไปหยุดคิดซะ oh. มันจะรู้ว่าไม่มีอะไรความคิดนั้นหลอกเราเป็นนิยาย ตรงแสง ข, ขึ้นมาเพราะจอนเจ้าคะแล้วภาวังนี่มันอยู่ได้ทุกชาเลยไหมเจ้าคะหรือว่ามันเป็นรอยต่อระหว่างที่อุปจาระเราจะขึ้นชานหนึ่งได้ไม่ได้เจ้าคะเราก็ไม่รู้มันภาวังก็คือความนิ่งเวลาจิตนิ่งเราก็เรียกว่าภาวะนั่นเองอ๋อมันเหมือนเป็นสภาวะหนึ่งที่จิตไปเข้าก็ได้มันจะอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะชาสองชาสามก็ได้ถ้าถ้าถึงเขอขึ้นใช่ ม, <า><บ>มันเป็นภาวางังอชานหนึ่งก็เป็นภาวางังชาสองก็เป็นภาวางัง อ๋อแต่ความเชขอ่ขอมันไม่เท่ากันนั่นเลโอ้หนุ่มกาวขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วทีนี้มันจะมีสภาวะหนึ่งที่ว่า อ, อย่าถามเลยถามคืนนี้ท่านคยก็ไม่มีวันจบหรอกไปทําสมาธิก่อนไปถามว่าเดี๋ยวก็ลืมไม่มไประโยชนอะไรไปทําสมาธิก่อนไปแล้วถ้ามาพูดกันดีกว่าเราค่ะงั้นงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวใกล้ใจะหมดแล้วเจ้าค่ะทีนี้หนูอะ่ะตอนก่อนนัดนี้หนูไปวัดแล้ว หนูติดนิมิตเยอะแล้วมีภาคทิฟหนูเข้าใจไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปทำสมาธิเนี่ยมันของปลอมทั้นั้นทสมาธิให้จิตสงบมาให้มันว่างก่อนทุกอย่างอันหายไปหมดอยาขอเข้ามากํากับพระอาจารย์เหมือนหนูเป็นต้องขมาแล้วขอหยุดหยุดคิดก็พอหยุดท้าก็พอออ๋อหนูหลวงพ่อให้มะขามหนูมาแล้วหนูกินแล้วหนูเอามาเล็ดมากับมาปลูกที่บ้านให้เป็นสิริมงคลแล้ว หนูเพิ่งคิดได้ว่าจะเป็นการขโมยของส่งหรือเปล่าหนูเลยนํามาปลูกเป็นจะเอาให้มันขึ้นเป็นต้นมะขามแล้วเอาไปคืนที่วัดสมมุติว่าหนูไม่ได้นําต้นมะขาไมไปเคืนการที่หลวงพ่อให้มะขามมาหนึ่งฝักที่แกะเปลือกแล้วฝากฝากคนอื่นมาให้แล้วหนูก็กินไปแล้วครายเม็ดออกแล้วเอากลับบ้านนี่หนูติดหนี้ส่งไหมเจ้าคะไม่เป็นของเขาให้เราน่าจะไปติดตรงไหนล่ะถ้านําไปขโมยกไปหยิบมาโดที่ไม่อนุ ญ, ญาตแล้วก็ไปติดนี้เขา อย่างนี้ก็ไม่ได้ถือว่าหนูขโมยของใช่ไหมเจ้าคะไม่ได้ขโมยก็เข้าให้เรามาไม่ให้อ๋อเจ้าค่ะแล้วแล้วทีนี้หนูก็เลยอยากพอแล้วพอแล้วพอแล้วไมมีไม่มวันจบแล้วทักคุยคยนนี้ทักคยก็ไม่จบอาแค่นี้ก่อนแล้วไปทําสมาธิไปกินราฟุ้สซ่านนะกินเราฟุ้งซ่านนะมีแต่ความคิดอันนี้หนักเจ้าคะเหมือนถ้าถ้าถ้าเป็นพระนี่เหมือนจะเป็นอาบัติข้อแรก ตอนนั้นหนูไปปฏิบัติในวัดแล้วมีเหมือนได้ยินเสียงผ้าทิพต์เขามาใส่พลังท่านมาใส่พลังงานไว้ที่เป็นพระแบบเป็นพระที่ใหญ่ใหญ่แบบว่านักถือเยอะแล้วหนูไม่กล้าพูดแล้วท่านบอกว่ามาสอบอารมณ์ทิ้งพลังงานไว้ที่จักรหนึ่งเอาไว้จนถึงพระนาคามีถ้าถ้าถ้าได้พระนาคามีแล้วจะไม่รู้สึกอะไรที่พลังงานที่จักรหนึ่งแล้ว หนูก็ทิ้งเอาไว้แล้วไม่ได้เอาออกแล้วก็เหมือนกับเผอกิเลสไปด้วยแล้วมีเหมือนไม่ค่อยสุภาพเจ้าค่ะเหมือนถ้าเป็นพระก็น่าจะผิดข้อทําอสุจิเคลื่อนแล้วแต่หนูยังไม่ได้ไปเล่าให้พระอาจารย์ที่วัดฟังเลยหนูยังไม่มีโอกาสเจ้าค่ะก็เลยอยากหนูก็เลยไปเล่าให้พระอาจารย์ข้างนอกสองอ ง, งค์แล้วก็อยากเล่ากับพระอาจารย์ก็จะ พอละจบละไปไปที่เฟซบุ๊กต่อไปคุณชุบมีคําถามอะไรไหมทางเ facebook ค่ะตอนนี้มีทั้งหมดที่เข้ามาสองคำถามนะคะค่ะคําถามแรกค่ะจากน้องหลินหลินนะคะพระอาจารย์คะช่วงเดินกลับบ้านไปขึ้นรถเมย์หนูนั่งสมาธิในรถเมย์นั่งจับลมหายใจแล้วเหมือนตอนดมยาสลบเลยเจ้าค่ะเหมือนตอนผ่าสมองหนูเลยมองว่า พอแบตเต็มก็รู้สึกตัวกลับมาได้ยินก่อนจะลืมตาเหมือนดูโดรีมอนดิ่งลงไปด้วยความดูลมไม่ทันเสียงภายนอกหายไปหนูคิดว่าไม่น่าจะหลับเจ้าค่ะเพราะว่านั่งคอตรงบนรถเมล์แต่ก็แต่ก็สนุกเจ้าค่ะนั่งกลับบ้านทุกวันมันคืออาการอะไรเจ้าค่ะหรือว่าหนูคิดไปเองคะถ้าไม่มีสติมันก็หลับ ถ, ถ้ามีสติมันก็เปนะ็น ถ้ายังมีความคิดอยู่มันก็มีความคิดปรุงแต่งของจิตทั้งนั้นเอคำถามต่อไปจากคุณชันซันเชนส์ค่ะขอรบกวนเรียนถามว่าจิตอยู่ในโลกทิพย์จะติดต่อกับกายทางหัวใจหรือสมองคะอ๋อติดต่อทางตามูจมูกนิ้กายค่ะคำถามหมดแล้วค่ะอาจารย์ค่ะโอเคไปเรียนคุณงค่ะคุณอ็งชคุณเอ็ง พัทยาเป็นไว้แล้วโอเคได้ยินแล้ว okay. ค่ะการการท่าทนอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็ไอ่ไม่มีอะไรมากค่ะท่าอาจารย์เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเวลาทำงานก็คือนิ่งขึ้นนะคะ um. แล้วเหมือนกับว่าเจอผู้คนในคำพูดเนี่ยเหมือนกับว่าจิตของเรามันเริ่มที่จะจะดีขึ้นไม่ใช่ไหมคะท่าอาจารย์ ไม่ได้ไปกังวลกับคําพูดหรืออะไรกับคนมากนะคะพระอาจารย์ใช่คุเบกขาค่ะคุเบกขาใช่ไหมคะก็คือนำไปปฏิบัตินเหมือนที่พระอาจารย์อ่าได้ได้มาช่วยอะไรกปเข้าค่ะก็ก็ไม่ได้เก็บมาอะไรมากมายนะครับพระอาจารย์แล้วแม้แม้กระทั่งคนในบ้านหรือว่าอยู่อยู่ข้างนอกค่ะแต่คือ เราทําหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดนะคะพระอาจารย์ดีที่สุนะทำให้ใจเราสงบพอแล้วหน้าที่เดียวก็คือรักษาใจให้สงบแนง ไ, ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เครียดแก่อะไรก็พออันนี้อันนี้มามาถูกทางแล้วใช่ไหมครับพระอาจารย์เพราะว่าจากการที่ตัวเองได้หันมามองดูใจแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมีมีความเย็นแล้วก็มีความเหมือนกับว่าสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะ เพราะว่าเราทํากับบอกไว้เลยว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของของเงินนะคะแพรจารย์มันเป็นเรื่องของความโลกรักโลกฝนหลงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราทํามาทั้งหมดเหมือนน้องๆหรือว่าใครที่เขามาคุยมาพูดเขาบอกว่าทําไมนิ่งหรือว่าไม่เหมือนก็ไม่อยากได้ก็เสื่อมสูญเราก็บอกว่าเราอยากได้ไม่ใช่ว่าเร า, าจะไปเสดแต่เพียงชคว่า เอ่อมันทําให้เราทุกข์มากไหมหรือว่ามันถูกต้องไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนุก็เลยแบบอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เหมือนกับว่าบางคนแต่คืนมันก็ไม่สนใจหรอกว่าใครจะมองเราอย่างไงแต่ให้เรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับพระอาจารย์คือรู้ใจของตัวเองอันนี้คือพยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้มันเยอะค่ะพระอาจารย์มาถก ต, ต้องไม่ต้องไปสนใจเรื่องนคนอื่นนะ ค่ะพระอาจารย์อันนี้อันนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับพระอาจารย์เพราะว่ารู้เลยว่าตัวเองเริ่มที่จะโอเคสงบมากยิ่งขึ้นมไม่เออ่ไปซ้ายขวาทีจาเหมือนแต่ก่อนมากขึ้นค่ะพระอาจารย์กลล็ไม่รับชามโกนหรอกไม่รับชามโกรอใช่ค่ะพระอาจารย์พยายามคือแบบว่าฝึกแต่เพียงแค่ว่ามันก็มีบ้างกับอารมณ์ที่มันมันเป็นนะคะพระอาจารย์<ม>เ อ, อโดยเฉพาะคนใกล้ตัวลูกหลานอะไรประมาณนี้ แต่ก็วูบเดียวก็คือพยายามแบบดึงกลับมาอันนี้คือคือมาถูกทางไหมครับพระอาจารย์ถูกทางค่ะก็ไม่มีอะไรมากครับพระอาจารย์ก็พยายามที่จะฝึกต่อไปคะ่ะแต่คือแบบเหมือนกับว่าตัวเองมาถูกทางคือตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเราฟุ้งซ้านพอเวลาเรามาสวดมนต์หรือไหว้พระอยู่กับอบทสวดมากยิ่งขึ้นเป็นชั่วโมงมันเหมือนกับว่าเรามีสมาธิมีสติหรือว่า อ่ามีมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นนะคระบพายจารย์ก็ดียังไงถูกต้องถูกต้องไหมแม่ครับอาจารย์ตากตาขอบค่าโอเคขอให้ท่านขันพายจานแข็งแรงค่ะว่าจะไปวัดทุกอาทิตย์ค่ะพะยำนั่งมาฟังเทศลงทงธรรมนะใช่สาธุขอบคุณสาหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านกำลังมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิเนตพเจนาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทำนิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด